ะเลนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยเพื่อมาสนทนาทำถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาสนทนาขอเชิญเข้ามาได้วันนี้เด็กชายพีเคเป็นคนแรกเช่นเคยสการ์พลาจัาย วันนี้วันมีอะไรจะรายงานพ่อจันหนึ่งอันครับทําไมพ่อจันถึงอยากอยากเป็นพ่อครับอ๋อเพราะไม่อยากจะมีลูกเหมือนพี่เคยไงมีลูกแล้วมันนำคาเนี่ยต้องมาคอยเลี้ยงดูให้เนี่ยแทเย้เหนื่อยไม่มีลูกแสนจะสบายใช่ไหมพี่เคอยากมีลูกไหมแต่พี่เกย์อยากมาีลูกหรือครัอาจารย์ถามอยากปะทําไมไม่อยากมีลูก มีแต้องเลี้ลูกอย่างพี่เคใช่ไหมพี่เคก็ทําอะไรให้แม่บงเปล่ามแต่ให้แม่ทาให้ทุกอย่างเลยใช่ไมคัชการข้าพเจ้ารัชดาอยู่ว่า ไ, ไงได้คำตอบนี้พอใจไหมเคลียร <c oughs> ์มที่ที่สงสัยไม่อยากจะมีลูกอ่าพอาจารย์บอกไม่อยากจะมีลูกจะจะืะจะ มีวัไนไหนยที่เรนั่งได้เลยทุกคกือบทุกวันเลยอาบอกพระอาจารย์เกือบเกือทุกวันเลยครับที่นั่งได้เลยหนึ่งนาทีโ อ, อ, อ, อ, อ้่นั่งไห น, นึ่งนาทีเลยเหรอโอเก่งมากได้กี่นาทีเลยเลยเลยหนึ่งนาทีได้กี่นาทีมีกี่นาทีบ้างสองสามห้านาทีบ้างมีสองสามห้านาทีมั่งครับอ้นั่งทุกวันรึเปล่าครับทุกวันคะ่ะทุกวันคะ่ะพระอาจารย์ บางวันก็มีหนึ่งนาทีส่วนใหญ่จะหนึ่งนาทีใช่ไหมใช่ค่ะพาเจรีดีดีก็ไม่ได้เลยนะใช่ไหมนั่งยังไงนั่งพุทโธแล้วนั่งเไงนั่งให้พระจันดูดิแล้วในใจคิดว่าอะไรพุทโธอ๋อพุทโธพุทโธเดี๋ยวกันจิอมเดี๋ยวไว้เสร็จเลยมากลับกลับก่อน อ่ากลับลากนมีคำถามอีกไหมไม่ไอทถามพ่อนถ้าทานอนแข็งแรงนะคะอ่าเข้าใจจะ้ะพาอให้หนูเป็นเด็กดีนั่งสมาธิให้ได้ทุกคืนนะโอเคไหมโอเคโอเคครับดีดีวันนี้ดี <c oughs> มากเลยน่ารักมากเลย <laughs> <c oughs> <c oughs> มีถามทุกคืนครับบางคืนเขาเขาจะสวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิใช่ไหมครับบางคืนเขาง่วงจังเลยค่อยทาได้ไมบอก รับปากพระอาจารย์ไว้ไม่ใช่หรอว่าต้องนั่งสมาธิเอาอย่างน้อยหนึ่งนาทีถ้าเกินก็เป็นเป็นโบนัสไปเขาก็นั่งค่ะส่วนบนแบบเร็วจรวดแต่ว่านั่งสมาธินี้นั่งได้ทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์อ่าดีค่อยๆฝึกไปอ่ะต้องมีจุดเริ่มตน้นอย่างน้อยต้องเริ่มทําก่อนแล้วมันค่อยพัฒนาต่อไปได้ค่ะบางวันถ้าแบบดูลนุนลุนมากๆ ก, ก็มีติดสินบนเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวจะให้คะแนน ลึกขึ้นมาได้ค่ะอืก็มีลูกล่อลูกเล่นบ้างค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ไม่ถือว่าบังคับใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราติดสินบนอย่างเนี้คะ่ะไม่ไม่ใช่การบังคับใช่ไหมคะไม่เป็นการอกอกอกอกลออน่อเยื่อ <laughs> <laughs> พอพอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ถ้านั่งได้เกินหนึ่งนาทีเกินสามนาทีเดี๋ยวจะให้หนึ่งคะแนนสองคะแนนนะโอ้ต oh, ั้งใจเลยค่ะวันนี้หนูจะนั่ง <laughs> แต่ถ้าถ้าลงโทษเขาเนี่ยเป็นการบังคับ ถ้าไม่นั่งเยอะะถ้าไม่นั่งจะตัดค่าขนมไม่อ๋อค่ะไม่ไม่ไม่ได้ลงโทษค่ะแต่จะให้เพิ่มถ้าสมมติว่าเขานั่งได้ค่ะแสดงว่าเป็นการรอใจก็โอเคโอเคได้คจะได้นุ่นได้นี่ดีไหมครับมีมีกำลังใจขึ้นเลยไหมโอ้โอเคค่ะไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ขอให้พระท่านท่าแข็งแรงเจ้าค่ะ น้องทิมตอน้องทิมน้องทิ ม, ออมขอบคุณแม่กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าพอดีไม่สบายเสียงหายเลยค่ะไป ไปที่ไปไปขับรถไปสักแก้วว่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อเอาของขึ้นไปถวายพระที่ท่านปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะกลับมาก็เลยแบบไม่สบายเลยหายไปอาทิตย์นึงค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้มีเวลามีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพ่อแม่ครูาอาจารย์ทางสายวัดป่าท่านก็เมตตาค่ะนั่งได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านอยู่กับ เกือบสามชั่วโมงนะคะพระอาจารย์ท่านบอก<ม>ว่าเห็นว่านานๆนานเรามีโอกาสขึ้นมาทีก็เลยก็เลยเมตตาสอนนั่งคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เนี้ค่ะออก็ก็คงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะก็ส่วนหลังจากนั้นก็ช่วงนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็พาเขามากล่าวพระอาจารย์นะคะน้องทิมมีอะไรไหม ก็มีมาส่งขานเรื่องสมาธิแล้วก็มาเล่าว่าเอ่อช่วงนี้ได้เรียนเรื่องพุทธศาสนาที่โรงเรียนครับอ่าเรียนเรียนเรื่องอะไรบ้างเรียนพุทธประวัติเรียนวิธีการนั่งสมาธิแล้วก็เรียนสองชาดกครับอืมชอบแบบไหนชอบวิชาไหนชอบแบบไหนชอบพุทธประวัติหรือชอบชาดกครับประมาณฮะชอบชาดกนะ ครับอือันนี้ชาดกเกีลือไครชาดกเป็นวันโรหะชาดอกกับชาดกที่จุลเศถีชาดกอกนะโอ้เจ้าเศรษฐีก็เดินไปจะได้กัดสัตย์ถามเชื่อมั่นในพระพูธพระถามพระสงฆ์นะ โรงเรียนเขาสอนดีอยู่ค่ะพระอาจารย์เป็นหนังสือทั้งเล่มตอนแรกหนูก็ไม่ได้นึกว่าไม่คิดว่าเขาจะสอนพอดีเมื่อวานไปเปิดดูค่ะก็เห็นว่าสอนคือสอนตั้งแต่แบบฝึกสติค่ะพระอาจารย์อ mm ืม hmm. ตั้งแต่สติแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญญาค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนมีอธิบายว่าปัญญาจะเกิดได้จากอะไรบ้างสามทางนะทิมมีอะไรบ้างนะมีจินตัน้งอะไปัญญาเออ สุตตะ ม, ย, ย, ะปญญมยปัญญาแล้วก็ภาวนาไ ม, มญญา่เขาก็สอนสอนดีอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็สอนนักเรียนเหมือนสอนในหนังสือก็สอนเรื่องการฝึกสติอะค่ะแบบนี้เลยอะค่ะเรื่องการนั่งสมาธิแบบให้มีสติแล้วทำยังไงให้เกิดเป็นสติสัปพัญญะเขาเดินรงกรมด้วยหรอลูกเดียต่อไปทินจะได้ฝึกได้ไง <laughs> ก็ดีค่ะพระอาจารย์เขาก็เขาก็เลยได้ได้ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์โรงเรียนอะไรโรงเรียนนานาชาติไหมไม่ใช่ค่ะโรงเรียนอะไรคะลูกเป็นโรงเรียนพุทธครับโรงโรงเรียนอะไรคับเดี๋อะไรคะลูกโรงเรียนอะไรหนูเรียนคาชิจุละครับอาชิจุระอ่าใช่สอนเขาสอนทุกปีค่ะพระอาจารย์เขาจะมีมีมีให้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่อ่ทุกทุกปีเลยอะค่ะที่ที่ แล้วก็ในแต่ละปีเขาก็จะเริ่มละเอียดขึ้นนะางอย่างอย่างปีนี้ก็จะเป็นเริ่มเริ่มเข้าเรื่องของสติสมาธิปัญญาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะมีสอนแบบนี้เดีจะได้มีพื้นฐานในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาบางคนเกิดมาในเมืองไทยอยู่ในเมืองพูดไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นยังไงอย่างนี้เดี๋ยนี้โรงเรียนที่สอนยี่หายากนะก็ ร้สึกงงกระทรวงก็งไม่ได้ไม่ให้สอนแล้ใช่ไหมวิชาเหล่านี้ หนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่โรงเรียนก็ยังสอนอยู่แต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าเขาจะอาจจะที่ด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนครูเขาก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกซะมากกว่าค่ะมากกว่ามากกว่าเรื่องอการการปฏิบัติอะไรแบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเขาเขามีมีใส่เข้ามาด้วยค่ะแต่ว่าเขาจะไปเรื่องพุทธประวัติเรงตัวเน้นการการศึกษาก่อนคปฏิบัติค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยตามมาต่อไปค่ะ มีอ่าทุกมีอะไรไหมนั่งได้กี่นาทีอะไรนี้น้องทีมได้แปดนาทีครึ่งครับแปดนาทีครึ่งเหรอมีครึ่งเออโอเคตอนนั้นตอ้เอาให้ได้เก้าไหมหมายไหมจะลองพยายามดูครับโอเคเอาดีก็ขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกทกานแข็งแรงเจ้าค่ะ่ถธุค่ะอ่าใบที่จะแม้ก็จะที่ต่อจะแม้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 จำไว้นะจำได้ไหยครับอย่าลืมนะนี่คือข้อสอบของเราไปเราจะต้องเจอข้อสอบตรง น, นี้ถ้าเรามีธรรมะเราก็จะไม่ทุกข์กับมันรับความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของเราทุกคนครับถ้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะมีผมขนแล็ ปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเช่นในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตปอดไส่ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยี่ยนในสมองสีสษนน้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื้น้ำมันคลนน้ำตาน้ำมเหลวน้ำลายน้ำมูกน่าคข้อ น้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเน่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสรตน้ำดีเยืนในสมองศีดะอาหารเก่าอาหารใหม่ไ่น้อยส่ใหญ่ปอดไตผังหืดตับหัวใจม้ามเยือในกระดูกกระดูกเอ็น เนื้อหนังฝั่นเลบขนอบยังไงร่างกายเราหนะน่าดูไหมหน้าไม่น่าดูไม่น่าดูครับอืม ต, ต้องดูนะครับอ่าดูบ่อยๆดูให้มันทั่วถึงให้มันทั้งข้างในทั้งข้านอกมันจะได้ไม่หลงไม่หลงกันเพราะมองแต่ข้างนอกไม่ได้เห็นข้างในกันครับอ่าโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรครับ โ okay. อเคงัไปที่น้องน้องพีก่อคุณรอาจารย์ครับน้องพีกับคุณแม่มีอะไรไหมประวัติตามค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะน้องพีนั่งสมาธิทุกคืนหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคืนครับทำไมนั่งตอนเช้าทุกบอกนั่งตอนเช้าแทนเลยแต่ตอนกลางคืนนอนดึกค่ะช่วงที่สอบอะค่ะ <c oughs> นั่นดึกก็เลยไม่ให้นั่งก็เลยให้มานั่งตอนเช้าแทนค่ะนั่งได้นานหัหยนั่งได้นานไหมครับม น, นครับห้าห้านาทีก็เต็มเต็มแล้วเพราะว่ามีพี่คนขับรถา ม, มารับแล้วค่ะก็ต้องรีบไปก็ได้สวดสวดมนต์ก่อนค่ะสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งสมาธิ mm. ก็จริงหลาวันึังมีต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงน่าจะหาเวลาให้กับการนั่งสมาธิได้บ้างเป็นของดีมีของมีประโยชน์จะช่วยให้ชีวิตเราสุขสบายไม่วุ่นวายมีความสุขไปเรืยๆใจเราจะเย็นใจเราจะสบายกิ <c oughs> เลสจะไม่ค่อยออกมาเพ่นท่านเท่าไหร่ความโลภความโกรธความหลง <c oughs> จริงค่ะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะแต่สงบความอยากความอะไรก็น้อยลงไปมากๆเลยค่ะพยายามนั่งให้มากๆ ย, ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนนัประธานอาหารนะ <c oughs> เป็นอาหารของใจสมาธินั่งสมาธิ้นใจอิ่มใจสบใจสบายไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆโอเคนะน้องพี อย่าง ไ, ไหมคะค่ะไปนั่งสมาธิเท่ากับนั่งเล่นเกมนะโอเคเล่นเกมกี่กี่นาทีก็นั่งสมาธิกี่นาทีค <c oughs> ดีไหมไหวไหม <c oughs> ถ้านั่งไม่ไหวก็อย่านั่งอย่านั่งเล่นเกมเลยใช่อเล่นเกมห้านาทีก็พอนั่งสมาธิได้ห้านาที <c oughs> ก็นั่งเล่นเกมแค่ห้านาทีก็พอโอมีอันนี้แล้วมี มีการต่อรองใหม่นะลรเนี่ยหลวงตานแนะนำหลวงตานแนะนำใ่ไหมให้คุณแม่จัดการ <c oughs> อยู่บ้านไม่ได่เล่นค่ะไปเขาไปแอบเล่นที่โรงเรียนตอนเวลาตอนเวลาเลิกเรียนนะคะกว่าจะไปรั บ, <c oughs> ลบแล้วเขาก็ขอทำกันขาทกันบ้านทำกันบ้า น, <c oughs> น <c oughs> แล้วก็เล่นเกม <c oughs> <c oughs> แอบตลอดหนูหนูทำโทษเขาไปเนี่ย บอกว่าถ้าไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิมือถือก็ไม่ต้องเอาไปอันนี้ก็คือโดนทําโทษแล้วไงคะก็เลยไม่กล้าก็เลยต้องบอกไม่เป็นไรไม่สวดมนต์ก็ไม่เป็นไรรีบน้ำโมตสาปักวัตโตทันทีเลยบอกพวกนี้ไม่ต้องเอามือถือไปก็รีบเลยบอกหนูพูดคำเดียวขี้เกียจมันนั่งแบบต้องมาดุเสียงดังอย่างนี้ค่ะพูดพูดเลยว่าถ้าถ้าไม่ทําตามที่เราตกลงไว้ก็มือถือก็ไม่ต้องเอาไปรีบ นโมตาสศะเลยนั่งตัวตรงเลยดี่ต้องมีอะไรคอยคอยเหนียววัดเหนียวรังจิตใจเขาไว้อย่าปล่อยให้ติดเปิดเปิืองไปนะใช่ค่ะกลัวมากเลยอันนี้ยังเด็กอยู่คอยห้ามไว้พอโตแล้วยิ่งโตยิ่งห้ามยาใช่ยิ่งโชคดีคนเล็กคนโตลูกลูกคนโตฝึกมาตั้งแต่เด็ก ฝึกมาตั้งแต่เด็กแบบนี้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ลอกดู่นอกครั้งก็ยังเป็นเด็กดีค่ะดีโอเคมีอะไรมไม่มีค่ะไม่ไม่มีก็ไปที่โนโมพอทางแข็งแรงนะเจ้าค่ะไปที่คุณยายรับอะไชื่ออะไรนี่อี่กับสันเดอร์ซนเดอสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้คุณยาย แข็งแรงเลยเราเลือถึงอยู่นะคะอะยังเย็นยังสบายอยู่ไม่วุ่นวายนะยายอยู่แต่บ้านคนเดียวมีมีอีกคนหนึ่งแต่เข้าคนทํางานที่บ้านนะคะอขาทำอะไรยายก็อยู่คนเดียวคุณยา ย, ค, ย, ายคุณยายมีชโชคไง ม, มีมีโอกาสได้อยู่คนเดียว ยายก็ไม่ไไม่ค่อยมีเรื่องกับไทยทั้งนั้นนะคะส่วนมากยายจะพูดที่ที่ดีๆค่ะไม่เคยทะเลาะกับไทยอะไรเลยใช่สมัยไหยสมัยนั้นอดีอยู่คนเดียวมีเวลาได้ปฏิบัติธรรมากนะพยายามจันสติบ่อยๆพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆไอ้นะใจใจเย็นใจสงบ มีอะไรไหมท่านโดยไม่มีครับพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องครับแล้วก็พาคุณยายเข้ามากราบพระอาจารย์เหมือนเกยครับโอเคอ่าขอให้พระอาจารย์ท่ันแข็งแรงค่ะคุณยายอยู่เป็นนานนะค่ะขอบพระคุณค่ะยังได้เสด็นท่านอยู่เสมอค่ะอ่าถูกอาคุณหมอแล้จบคุณหมอต้า กลับนมัสการค่ะอาจารย์ค่ะเป็นยังไรต้องมาฟังธรรมครับก่อนหน้านี้ก็บางบางสัปดาห์ก็อาจจะเข้ามาไม่ทันบ้างครับอาจารย์อาทิตย์ที่แล้เข้ามาไม่ทันค่ะพระอาจารย์ก็ฟังข้างนอกค่ะอันนี้ก็มีกนเข้ามาเยอะด้วยบคงทีก็เเลยไม่กล้าปล่อยให้เข้ามาหมดเพราะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอ่เข้าใจค่ะพระอาจารย์ค่ะ ขอนูกาตาก็เหมือนเดิมก็แต่ตอนนี้คือแบบเวลาเจอเหตุการณ์อะไรกันก็จะแบบดิสคัตกันว่าอันนี้เป็นไตรักแบบอันนี้ไม่เที่ยงหรืออย่างเงี้ยค่ะ<อ>ถ้าชุมพอพ อ, พอมองในมุมอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนก็จะรู้สึกว่ามันก็จะจบได้เร็วอะค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ติดคานานค่ะคยกันพยายามคอยเรื่องธรรมะเรื่องอันนี้ยังทุกขงังมันตาค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามจับเข้ากับเรื่องธรรมะหมดครับเพราะว่ามันทางโลกที่จเจอความไม่มีกระทบเยอะอย่างนี้ค่ะเนี่ยธรรมะมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจค่ะแล้วก็พยายามมีสติค่ะยังไงก็ยังเป็นเศษฝึกสติเยอะๆอยู่ค่ะพรอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะฝึกสติแล้วก็สมาธิให้มากขึ้นครับพระอาจารย์ครับครับเนี่ะ ค่ะอ <Okay. S 2> าจย์ค่ะไม่มีอะไหหรละคะกลับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะไปคุณไปกระไรทุนกับนสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไหมไ ม, ไม่มีครับไปต่อนะ <c oughs> ไปนสสากากลับบ้านแล้วเลยคุณนิสสากาค่ะกลับบ้านแล้วค่ะอาจางไม่มีถามคะ่ะปฏิบัติค่ะเป็นไงรายงานผลปฏิ บ, บัติบนท้องมากไหมดีค่ะเย็นสบายไม่เหงาไม่คิดถึงบ้านนะอ๋อลูกี่เชอยู่แล้วเพาปกติตั้งแต่เด็กก็คือชอบอยู่คนเดียวประมาณอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะ ไม่ไม่ค่อยออกไปไหนรลยครั <c oughs> บคาะบัจอังก็ไปนู่นมันก็สงบเย็นสบายเลกว่าจังก็ดีอยู่คนเดียวได้ดีที่สุดค่ะค<า>่ะคนคนที่อยู่คนเดียวได้นี่เป็นคนมีบุญมากแล้วก็คุยแล้วมันมีแต่เรื่องไม่ใช่โอเค ชาตุ่งไปที่อาจารย์พงศ์พิไลคุณ <c oughs> อนุกูลมาหรือยังวันนี้ส่งเอไอมาให้ดูกำลังมาแล้วกเ็เป็นเป็นซูเปอร์ไอแมนแล้วอ่ะดีนะต่อไปส่ง a อไอเข้ามาห้องนี้แทนเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก <c oughs> มันไม่เป็นตัวจริงก็ตัวความต่ว่ก็ยังคนคว้าอยู่ยัน้าภาพนิ่งๆมาทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้อะไนี้ยังไม่ถึงขั้นตนแลวครับผมผมได้เพียงแต่ขยับปากได้เท่านั้นเองแต่ว่ามันมีมันมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่มันทำแยกกันต่างหากกัน เราต้องอคอําสามพรจ้มาเตือนใจนะการนามาสุด<ม>การนำมาสุดพระเจ้าสาบอย่าเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะ<ม>อย่าไปเชื่อเ<ม>พราะคนอื่นเขาเชื่ออย่าไปเชื่อตามกันเอ<ม>อย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เราส่งมาให้เราดูอย่างเงี้ยอะไรเพนี้เราต้องเวทพิสูจน์ก่อนเพราะเดี๋ยวนี้มันหลอกกันได้ง่ายนะเป็ <c oughs> นเทคโนโลยีสมัยใหม่เรรู้จริงก็ไม่จริงก็ไม่รู้ เนี่เนี่ยอะไรอะไรก็ก็ไม่ค่อยจริงอ่ะดูเฉยเฉยไม่ทรงอะไรดีกว่าวันนี้เราเป็นเหมือนเหยือครับถูกใครก็รอค่ะแต่เอไอไปได้ไปเร็วมากเลยนะคะใน ใ, ในทุกเรื่องในทุกมิติถ้าทำประโยชน์ได้ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ก็ดีเป็นไม้เครื่องไม้เครื่องมือจ น, นใช้ใม่เกิดโทษจะได้ค่ะเพราะว่าในวันนี้ฟัง เอออีกอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเนี่ย The Rock หรืออะไรใช่ไหมคะข <Rock>, <Rock. S 2> องกรอบกรอบกรอบขอ Elon m u s, mm hmm. <S อย่างนี้อีกหน่อยแบบสอนหนังสือก็ลาบากเลยนะคะแบบ <c oughs> หนังสือ25หน้าย่างบอกว่าเขาสามารถ summarize <c oughs> ใช้เราเนฐานะอาจารย์ก็เลยว่าโอ้โหเด็กๆสมัยหน้านี่หรือเราเองก็คงลำบากเลยนะคะ <c oughs> สอนหนังสือเขาสามารถหาประเด็นสรุปออกมาได้หมดเลย ต่อไปก็ใช้ใช้โรบอททำหน้าที่แทนเราเราไม่ต้องทำเลยสร้างให้บททำทุกอย่างเลยทำให้นึกถึงคนที่เขาคิดของพวกนี้ขึ้นมาได้นี่เก่งมากเก่งิน่งเก่งไปในทางขางตัวเองมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันเกินเกินมากมายต่อไปก็ต้องพึ่งเสี่ยวนี้ตัวเองอะไงไม่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ เดี๋ยวนี้คิดแทนให้ด้วยฮะไม่ใช่เพียงแต่จดจำพอเดิมทีจดจำาเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนต่างๆเนี่ยเดี๋ยว น, นี้จำของใครไม่ได้ใช่ก็ต<ำ>้องระวังค่ะก็เราอยู่มาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยนะคะก็วิ่งตามอะไรได้ก็ตามดูคิดตามนะคะแล้วก็ เอาไปใช้เป็นประโยชน์บ้างบางคังแต่ก็อย่าลืมพึ่งตัเองเป็นหลักนะแต่ตแตยังใช้ยัยงใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมฟังน้องๆมาหลายๆตอนนะคะที่ขึ้นเขาทั้งหลายเนี่ยทำให้นรกถึงสมัยที่ขึ้นเขาแรกๆที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครขึ้นมากมายใครเคยอยู่สาราเจ็ดสาลาห้าสาราแปดอะไรเงี้ยก็ทำเป็นรูกภาพสมัยนั้น๋วนี้คงไม่ได้ขึ้นแล้ว ปฏิบัติที่บ้านแทนอือที่ไหนก็ได้ขอให้มีมีสติก็ใช้ได้ไปแล้วสงบจริงๆค่ะไปแล้วมีความรู้สึกว่าต้องต้องไปทุกเดือนถ้าสามารถไปได้มันดีจริงๆโอเคค่ะสาธค่ะรมรดกการอาจารย์ขออยู่บป็นานสุขภาพแข็งแรงนะอาจารย์ท่านการแข็งแรงค่ะสัปดาห์หน้าทำไม่มีอะไรจกไป แับเียมค่ะอ่าไปที่คุณหญิงวิไลพรวันนี้มาใส่บาทกลับถึ ง, บ, งบ้านเร็วแล้วกลับแล้วเจา้าค่ะพาจานเข้าใจค่ะอันต้องเร็นมาเร็วมาเร็วครับมาเร็วอ่้องเรียนมะเร็วกลับขอพ่อก่อนเร็วอันร้องเรียนเร็วพ่อรอ รอกันดานเลยไม่ยอมมาแล้วจเจ้าค่ะจะเอาหลานมากราบเจ้าค่ะพระอาจารย์อพอาจารย์โยมก็ทานข้าวถึงแค่เที่ยงค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์พอดีกลับมาบ้านมีเรื่องนิดนึงค่ะพอดีลูกสาวว่ะค่ะเขาบอกว่าเขาได้งานใหม่แต่ว่างานใหม่คือลูกสาวอ่ะ ก่อนหน้านี้ยเขาทําเป็นเอเจนซี่เขาก็เงินเดือนสูงอยู่แล้วอะค่ะ<ม>เดือนเือละเจ็ดหมื่นใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยเหมือนว่าเขาอะไปลองสมัครงานใหม่แต่ว่ามันเป็นเกี่ยกับแอลกอฮอล์แล้วเขาก็เรียกเงินเดือนไปที่เก้าหมยมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเป็นงานเกี่ยวกับแอลกอฮอล์มาม่าไม่ค่อยอยากจะให้ทําสมมติเอ่อสมมติว่าถ้าเกิดได้ได้งานแล้ว ม, มันเป็นมันเป็นวิชาอาชีพคือมันเป็นเกี่ยวกับ alcohol, แอลกอฮอล์เราก็ไม่อยากจะให้เขาได้อะคะ่ะพระอาจารย์ ก็ก็เพราะว่าเราบอกว่ามันมันถ้าทําแล้วมันเป็นทำผลเสียกับคนอื่นก็ไม่อยากพี่ช้ยก็ทำเพราะเราก็มีอาชีพเรามีทางเลือกอยู่แล้วที่เราจะเลือกได้เราเราไม่ไม่จําเป็นที่ต้องไปทํางานแบบนี้เนี้ยเจ้าค่ะแต่ลูกสาวเหมือนกับว่าพอตอนนี้เขาอะทางบริษัทอะเขาสัมภาษณ์ผ่านแล้วเขาจะให้ลูกเริ่มงานเดือนตุลาแล้วก็เหมือนกับว่าเงินเดือนเก้าหมื่นแล้วก็โบนัดได้สอเดือนเนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากรู้ว่าจะมีข้อคิดพูดยังไงให้ลูกเขา เขาเข้าใจอะเจ้าค่ะก็การเสบใบอมุกนี้นาไปสู่ความเสื่อมของสังคมะคนที่เสบใบอมุกก็มักจะเป็นคนที่อะจะสร้างปัญหาให้กับผู้อนไม่ช้าก็เร็วเพราะอาบายามุกมันเป็นตัวที่จะไปทําใหไ้ไปทําบาปต่อไปได้ง่ายอ่ะอาบายอมุกมุกกว่าทางเข้าอาบายก็คือไปไปสเอ บ, บายไปสเอบาย ด, ด้วยการกระทาบาป ออืถ้าไม่ไม่เสียประบายมุกได้มันก็จะปลอดภัยจากการที่จะไปทําบาปยากขึ้นกว่ายากกว่าการที่จะไปทําบาปถ้าเราไม่ได้เสียประบายอย่างมุกต่างๆนั่นก็มันก็เป็นเรื่องที่คนที่ไม่มีปัญญาอาจจะคิดไม่ถึงเพราะมันมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดไกลว่าถ้าเระคิดใกล้ๆอย่างเดียวแล้วก็มองแต่ผลประโยชน์ที่เราท่องจะได้รับอย่างเดียว นขาจะยังเด็กยังไว้รุ่นแล้วพยายามอธิบายให้เข้าใจเนเจ้าค่ ะ, ะเขาก็บอกอ้าวดีก็เป็นเสียงหนึ่งเสียงค้าให้เขาได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็แล้วแต่เขาได้ค่ะเดี๋ยวโยมจะเอาเ อ, อที่สโตษนาคับพระจาระคะ่ะแล้วก็ครบแล้วก็ส่งไปให้ลูกสาวได้ฟังอีกทีเพื่อให้เขาเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเป็นอาชีพที่ว่าเขาจะไม่จะไม่ได้ไปยุโยงอะไรแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ อาจจะทําเป็นโปรโมชั่นหรือส่งเสริมให้คนดึงดูดให้คนเขาสนใจเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เป็นส่วนทําให้คนเขาเสียใช่มาเดือดรวอนแล้วมักจะเกิดอาการเมินเมาแล้วก็มักจะไปทําร้ายผู้อื่นเวกิดอาการเมินเมาช่ค่ะแล้วเขาบอกเขาแล้วว่าเราเรามีทางเลือกเราเราไม่ใช่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้แล้วทําไมต้องแบบว่าไปทํางานแบบแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็ไม่เข้าใจอะค่ะแต่เขาน่าจะยังเด็กเออแน่นอน ต้องบอกเขาบ้าค่ะส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อกัเป็นเรของเขาเรามีหน้าที่ของเราเราก็พูดไปได้ค่ะใจค่ะวันนี้น้องเรนฝากตังพระอาจารย์ไปทําบุญเขาเอากระปุกของเขาไปเองอ่ะค่ะคนละ500ห้าร้อยกัลานลินอน้องเรนมาเร็มาสายรู้ว่าพระอาจารย์ก็เร็ครับเร็วเท้าโดนพระอาจารย์ไม่ยอมเค่ะเล่นเด็กอยู่ค่ะ่ใช่ค่ะ ว้าววาใจดยเข้าใจค่ะรบกวนนิดนึงคะ่ะถ้าเอ่อโยมมาทานทานมังสวิรัตด้วยอะคะ่ะแล้วก็ทานแค่ถึงเที่ยงแล้วสมมุติว่าถ้ามันทําทําแล้วทําให้ร่างกายเร า, <c oughs> เ, ราเราเราขาดโปรตีนอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะแบบออกจากสัตจากก่อนสามเดือนได้ไหมคะแล้วก็อาจจะแบบแต่เราก็ทานถึงเที่แต่เราทานเนื้อสัตว์ได้ไหมคะหรือว่าเราพูดแล้วเราก็ต้องทําใมใครอยู่แค่แล้วแต่ว่าเราอยากจะรักษาสัตวจากหรือไม่ ถ้าเรารักษาจาตจัจจานแล้วก็ต้องทําตามที่ตั้ตั้งสัจจะไว้อาจจะไม่เป็นคนที่เสียสัจจะใช่เจ้าค่ะแล้วโยมต้องทานมังสะต่อสามเดือนได้ค่ะแล้วหมดจากสามเดือนแล้วค่อยไปโดูปวดตีนต่อค่ะค่ะกลับมาทักการพอาจารย์เจ้าค่ะกลับขอขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมจะขอพัดไปให้ลูกสาวเออฟังนะเจ้าค่ะอ่าใ่ค่ะค่ะไปที่คุณดิศยาครับคุณอุษาแม่ลูก น้ำตาการกับอาจารย์เป็นยังไงกลับถึงบ้านแล้วนะกลับถึงบ้านแล้วค่ะกลับมาถึงเมื่อวันจันทร์ค่ะอืมีมีอะไรไหมออตอนนี้ก็พยายามฝึกในเรื่องของอนิจจังค่ะอาจารย์พยายามดูทุกอย่างให้มันเป็นอนิจจังอย่างโยมพยายามฝึกเพราะโยมรู้กสติโยมยังอ่อนยังไม่แข็งแรงโยมก็เลยพยายามว่าพยายา พยให้มองทุกอย่างให้เป็นอนิจจังเป็นใจรักกับขาอาจารย์อืหยิบอันนี้อันนี้ปัจจุบันผ่านไปเป็นอดีตพยายามให้มันฝังชิดเข้าไปในใจเมื่อมีอะไรปุ๊บให้มันตับลงที่อนิจจังให้ได้ค่ะอาจาร ย, ย์ดีอย่าไปยึดอย่าไปติดมันเกิดขึ้นปั๊บแล้วมันก็ผ่านไปแล้วใช่ค่ะอย่างที่เขาดา่าแล้วปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วะใช่ค่ะแต่เราเอามาคิดอยู่เนื่อยถ้าเ้าด่าตอนเช้า<ม>ตอนเย็นเรายังคิดอยู่นะะ พยายามทําให้ได้แบบนั้นค่ะพระอาจารย์พระโยมรู้สึกว่าไม่ว่าปัญหาทั้งหมดที่เข้ามาจากการไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้ใช่ไหมคะถ้าโยมมีสติแล้วก็ตัดทุกอย่างลงที่อนิจจังหรือไตรักอะค่ะโะยมจะผ่านมันไปได้หมดเลย <c oughs> แต่มันคือค่ะค่ะโยมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ก็ต้องยังไงก็ต้องขอบคุณความกลัวนะคะอาจารย์มันเป็นต้นทุนที่ทําให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราผ่านมันไปได้แค่ไหนเราต่อสู้มันได้แค่ไหนตัดมันไปได้แค่ไหน ถ้าไม่มีโยมก็จะไม่รู้ว่าต ก, กยภาภพของเราอยู่ตรงไหนคะ่ะจ้ะเพื่อทุกไมนมีปัญญาไม่เกิดไงใช่ค่ะความคลัวก็เป็นารทุกอย่างเ<ย>มื่อเกิดความกลัวว่าเราใช้ปัญญามาแก่ใช่ค่ะ บ, บางทีแต่ว่าก็คือเอาสติเข้าช่วยนะคะพยายามปล่อยวางปล่อยวางแต่พอมาถึงจุดที่ระันพีคอะเราลื ม, มเราลื ม, เ ร, ลมเรากังวลก็งี้โยมก็เลยกลับมาจับทุกอย่างให้ดูเป็นไตรลักษณ์หมด ทำดอกไม้จับดอกไม้ขึ้นมามัดปัจจุบนันมัดผ่านไปมัดที่หนึ่งเป็นอดีตพยายามมองให้เป็นสเปซกับสเปซสเปซกับเวลานะะอาจารย์พยายามมองเนแบบนั้นค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังกินข้าวแบบที่อาจารย์บอกว่าลงในจานแล้วเอาทุกอย่างรวมกันแค่ไม่คลุกนะคะแต่ตั้งแ <c oughs> ต่จาวว่าเอาเท่าที่มีไม่ตักเติมไม่ลุกขึ้นไปนั่งอัสนะเดียวก่บอาจารย์เอาเท <c oughs> <ๆ>่าที่มีอยู่ในจานค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็นั่งวันละ ช, นบบชั่วโมงนั่งว่างๆแบบชั่วโมงหนึ่งที่อาจารย์บอกอะคะ่ะหลังจากโยมนั่งภาวนาเสร็จแล้วใช่ไหมคะนั่งทรรวัตรคำแล้วนั่งภาวนาเสร็จแล้วออกแล้วแล้วโยมก็มานั่งต่อหนึ่งชั่วโมงแต่นั่งในอิริยบทของนั่งภาวนานั่งไปเรื่อยๆค่ะมันรู้สึกถึงว่าพอเราถอนออกมาแล้วความลึกตรงนั้นยังตามมาอยู่ค่ะยังต่อไปได้อีกค่ะอาจารย์ เขาต้องมีสติรักษาใจต่อไปถึงแม้จะไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องมีสติพยายามดึงสติให้มากที่สุดพยายามให้ทําให้มากที่สุดว่าอเราเราเหมือนกับเราประมาทพอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราอ่อนซ้อมค่ะอาจารย์พอขึ้นไปที่ปฏิบัติตรงั้นจริงปุ๊บมันมันมันความกลัวของเราอะค่ะมันทําให้เราวิงทโเเหมือนความเครียดพยายามบอกว่าเราอย่ากดดันเรามาวัดตัวเองวัดตัวเองว่าแค่ไหนมันก็ ได้ดียงกับขอขอบคุณอาจารย์ อ, อ่คุณดุษยา ม, มันมีความสุขอาจารย์น้อมักการค่ะพระอาจารย์มีคำถามเกี่ยวกับการเลือกคบคนนะคะพระอาจารย์อย่างคือที่หนูรู้สึกว่าหนูใช้มันใช้ธรรมะในข้อไหนคะคือว่าที่ผ่านมามันเคยเจอเจอเพื่อน บางบางประเทศที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นคนทําไมถึงเป็นคนแบบนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรให้อภัยแล้วเรายังปล่อยให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราไปเรื่อยๆค่ะบางพอสุดท้ายวันหนึ่งมันก็เห็นว่าเขาทําเรื่องที่มันร้ายแรงหรือคักหลังเราอะค่ะพระอาจารย์ในการคบคนนิดมันต้องเกณฑ์นในบางบางทีเขาเราเราจะต้องดูยังไงคะพระอาจารย์ เจ้าบอกว่าอย่าคบคนพานคนพานแมายว่าคนโง่ให้คบบัณฑิตคนฉลาดเอ่คนโง่นี่มักจะเป็นคนไม่ดีด้วยเพราะเมือโง่ก็เลยไม่รู้ผิดถูกดีชั่วแต่คบบัณฑิตคนฉลาดคนฉลาดก็จะเป็นคนดีเพรรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเป็นอย่างไรอ่นี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นข้อหนึ่งของมงค ล, ลสูตรมงคลสามสิบแปดของชีวิต ให้รู้จักเร้่ครบคนอตัวอย่างคนที่เป็นบัณฑิตในพุทธศาสนาที่ที่เป็นบัณฑิตที่สวยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อือถ้าเราก็หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้ยินแต่เรื่องดีๆแล้วดูมีตัวอย่างที่ดีในการมาเพลิดเพลินนั่นคือมีศีลมีสัจเนื่ อ, องนั้นครบต้องดูคนที่มีข้อเขามีศีลหรือไม่เขารู้ผิดถู ก, ถกดีชั่วหรือเปล่าขึ้นลัก เป็นทางเขเสบอบายามุกนี่เขาแสดงว่าเขาเขาไม่มีปัญญาเขาไม่เขาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วนะเพราะทางศาสนานี่สอนว่าอบายามุกนี่เป็นเป็นของที่ไม่ดีของที่ทำร้ายผู้อื่นนะตอนเองอืมดูที่วัดที่ศีลดูที่การประพฤติของเขาว่าเขาบพิ่มเขามีสัจจาระเปล่าอุจาโกหกหลอกลวงนะ้ะพูดพูดแต่ความจริงเป็นต้นชอโกงหรือเปล่า รักทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่าฆ่าสัตว์ตชีวิตหรือเปล่าประพฤติผิดในการหรือเปล่าเดิมสุรายาเมาหรือเปล่าอันนี้เป็นตัววัดคนดีหรือไม่ดีคนฉลาดหรือไม่ฉลาดในระดับหนึ่งระดับต่อไปก็เขาถ้าเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะคนที่จะปฏิบัติธรรมนี่ต้องเห็นนะอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีมากขึ้น ต้นนี่คือวิธีการครบคนแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรารังเกีคนที่เขาไม่ดีนะถ้าเราเจอกับเขาเราก็ใช้ความเมตตาคบเท่าที่จาเป็นจะ ต, ต้องคบในอนาคตก็ทำงานน่วมกันก็ทำงานไปไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาที่เขาชวนเราไปสังสรรค์เขาเล่กงานเขไปไ ป, ไปกินเหล้ากันหน่อยไหมเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ควรไป เลยชวนไปเล่นการพนันเงี้ยอ่ะไปกาซินโนไหมเสาร์อาทิตย์นี้อหยุดสามวันไปฮ่องกงไปมาเก๊ามอะไรอย่างเี้ก็อยากไปเขาถ้าเขาชวนไปว่าเออดีไปอย่าไปไปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนดีอ๋อยัเข้าใจไหมค่ะแล้วถ้าสมมติเรื่องการการมินทาหรือว่าการที่เห็นคนอื่นทําผิดแต่เขายังไม่ แต่เขาเพิกเฉยแล้วก็ไม่รู้สึกอันแบบเห็นดีเห็นงามไปด้วยแบบนี้เรียกว่าผิดศีลหรือเปล่าคะพระอาจารย์แบบท้าสมมติมีเพื่อนอา่านอกนอ ก, นอกใจแฟนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็รู้สึกเฉยเฉยเห็นว่านี่คือเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าเป็น ถ, ถ้าเป็นมันขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะเห็นได้เขาอาจจะไม่อยากไม่ยุ่งไม่อยา ก, ไ, ไ, ยา ก, ไ, ยากไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของคนอื่นก็ได้ เรื่องทางใครเปนเรื่องของคนอื่นเขเป็นเรื่องของเขาไปไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าไปสนับสนุนไปหาแฟนให้เอาไปหาคนไปให้ไปเป็นแฟนเขาอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ควรจนเขามีภรรยาแล้วยังไปหาหาหญิงใหม่ให้เขาอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ควรอย่ากระทำแต่ถ้าเอาไปกระทว่าเองก็ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของเราเพีแต่เราอย่าไปทําตามเขาแล้วกัน แสดงว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการดูแล้วก็ค่อยๆดูว่าคนคนไหนเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเขาไม่ไม่ใช่จริงๆเราก็แค่ครอบคบพบปะตามสังคมทั่วไปแทนครอบกันอย่างครอบแบบสนับสนมกันอยา่างครอแบบที่จะต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันครอบแบบไม่ให้เสียมารยาทเพรา ะ, ป ะ, ป ะ, ปะวันจี่เจอโดน หักหลังจากสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเราไปไปพ้าต ร, ตรงไหนแต่หนูก็ไปเจอในพวกเกี่ยบความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาค่ะในในมันเจอแบบเห็นตามในฟีดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะหนูก็เลยรู้ว่าเออมันเขาเล่าผ้าเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่าก็เลยอยากรู้ว่าถ้าทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้บ้างหรือเปล่าจะไปดูว่าเขาจะปิญญาตีโทเองนะ คนจบปริญญาตรีเท่าไหร่ก็ไม่จำเป็ว่าจะเป็นคนดีได้สม่ไปมีความรู้แต่ไม่อาจจะไม่ไม่มีฉลาดแต่ไม่เฉ ล, เลียวก็ได้ไม่รู้ว่าอบายามุขนี้ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะเสกนี้คนที่จบด็อกเตอร์อาจจะเสกอบายามุกก็ไดอ้อาจจะดื่มเหล้าอาจจะเล่นการพนันก็ได้เก็ต้องดูที่เนี่ยสองตัวเนี่ยดูศีลห้ากับอบายามุขเป็นการ เป็นการที่ประเมินคนได้ส่วนหนึ่งว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ต้องใช้เวลาอย่างที่เขาพูดกันว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนนีก็ก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าเขาเป็นยังไงเราต้องดูดูไกลๆดูยาวๆครับอจาจารย์ครูอาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่ดีกับเราเก่งกับเราหรือเท่าเราได้ไปอยู่คนเดียวดีวกว่า เขากนบาคนที่เข้าแยกกับเราเร็วกับเราเราก็จะขาดทุนเพราะว่าจะชุดร่างเราไปในทางตา่ำต่อทำอยากไปดูว่าเขาจบปริญญาหรือเปล่าครับขับรถยี่ห้ออะไรเขามีบ้านใหญ่ขนาดไหนหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ของพวกนี้ไม่ได้เป็นตัววัดความความดีของคนความฉลายของคน ชาลัดในธรรมนั่นหมายถึงคนชาลัดในธรรมคนดีในธรรมมักจะอยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แบบอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอยู่ในกระท่อมบ้างอยู่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่คนไม้่พระอาจาร์สาวกทั้วหลายถ้าอยู่กันแบบเรียบง่ายไม่หลงหลงไหลกับสิ่งต่างๆที่ทางโลกเขาหลงไหลกัน ใช้ของแบรนด์เนมใช้ของรูหราใช้ของฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่เป็นเสน่หะของคนไม่ฉลาดทางธรรมอาจจะอาจจะฉลาดทางโลกนะไม่ใช่ฉลาดทางธรรมเดี๋ยวเม่เขาท้ลองไปเจอกับความทุกข์ต่อไปไม่ชช่กับเรื่องขอบคุณค่ณคณะพระอาจารย์อ่าถูกอ่าไปที่คุณหมอลุ่งเรื่องต่อคุณหมอแจ๊ พระอาจารย์ครับไงไงอือนมัจกร า, ารพระอาจารย์ครับออันนี้ทํางานได้บ่าทํางานกับอาจารย์ทําทุกวันครับอืก็กับสัปดาห์นี้ก็ปฏิบัติได้มากกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ ท, ที่กับเรียนพระอาจารย์ไว้นะครับอืก็ผมก็นั่งสมาธิเพิ่มทุกวันแล้วก็ ส, สติเนี่ยน่าจะได้สักได้เกือบ เกือบตลอดอะนะครับอาจารย์แต่ว่าก็มีบางช่วงที่ทำงานหรือบางช่วงก็ไปเผลอคิดไปบ้างสัปดาห์นี้มีเรื่องหนึ่งก็คือว่าเผลอใจไปพอสมควรครับช่วงหลายชั่วโมงเลยเพราะว่าช่วงที่เราไปทราบเรื่องต่างๆที่ว่าอาจจะเกี่ยวกับส่วนรวมและเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมแล้วคนทาไม่ค่อยดีผมก็ไปห่วงห่วงส่วนรวมแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายอะไรต่างๆแต่พอ พอดึงสติกับมาได้พอมนั่งสดพอช่วงที่ช่วงดังเก่าก็พอดึงสติกับมาได้มาสวดมนต์ได้มาเริ่มจะจะมาเริ่มมาเริ่มปฏิบัติสมหรับสติได้เสียเวลาหลงหลงไปหลายชั่วโมงครับอาจารย์ประมาณสามสี่ชั่วโมงเลยมันก็มีใจที่แบบใจที่เป็นห่วงใจที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่พอมาทําใจได้ก็ก็คือว่าเออสุดท้ายมันเป็นไปตามกรรมแล้วมันก็ มันเป็นเรื่องของที่ไม่เกี่ยวว่าหน้าที่ของเราครับก็ดีขึ้นครับพระอาจารย์ก็กลับมาได้เร็วพอสมควรตอนนี้ที่ผมไปกราบพระอาจารย์เมื่อวันก่อนพระอาจารย์พูดว่าให้รักษาสติสมาธิให้ดีผมก็ผมก็มีคำนี้กล้องอยู่ตลอดนะครับแล้วก็แล้วก็มาปฏิบัติสติสมาสติไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือว่าหายใจเข้าหายใจออกนะครับรู้ลงหายใจแล้วก็รู้ว่าหน้าที่เราเนี่ย มีคำหนึงก็คือเป็นความสุขสงบะครับตอนนี้พยายามเดินหน้าไปสู่ความสุขสงบได้หรือแล้วถ้ามีเวลาผมก็จะนั่งสมาธิมหมายถึงว่าระหว่างวันเลยก็ตามนะครับแต่ว่าที่ตั้งใจทำสามสิบนาทีเนี่ยก็ทําได้ทดําได้ทุกวันครับพระอาจารย์แล้วทําได้มากขึ้นอาจจะวันหนึ่งบาีได้หลายรอบเลยครับแล้วก็บางช่วงห้านาทีสินาทีว่างผมก็นั่งเลยครับพระอาจารย์หับตากระสุขสงบก็เป็นมีนความสงบที่ที่อธิบายไม่ถูกนะครับพระอาจารย์ก็อธิบายไม่ถูกว่า เออเป็นยังไงแต่ว่าหมายถึงว่าที่บ่ายคนอื่นคนอื่นก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไงแต่เรารู้ตัวเองว่าโอ้มันดีขึ้นเยอะเลยนะมันมีความมันมีความสุขขึ้นสุขขึ้นตลอดเวลาครับแล้วแต่ละสัปดาห์มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมครับ <c oughs> แต่มีมีแบบวันนี้ที่เนขาชันว่าก็มีมีพลาดไปนะครับ <c oughs> แต่จะพยายามรักษากลับมาที่สติสมาธิได้ตลอดครับใช่ครับต้องพยายามทําไปเรื่อยๆครับ ครับพระอาจารย์เราเราก็ต้องทาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ให้จุดมันถึงจุดรวมไม่ได้ให้มันครับให้มันสงบเต็มที่ครับตอนนี้มันได้แค่เหมือนกับเหมือนกับเคิมเคิมสบายใจใช่ยังไม่ถึงจุดที่มันสงบเต็มที่ครับตอนนี้ยังได้แค่เคิมเคิมอยู่นะครับพระอาจารย์อครับแต่ว่าพยายามจะให้แบบรวมรวมเข้าไปให้ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ไปอยากมันเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะครับ ถือคือมุ่งมุ่งอยู่ที่หายใจเข้าลึกๆออกหายใจเข้าหายใจออกแค่นเนี้ครับรู้ลมหายใจหรือไม่ก็เป็นเป็นสวดมนต์นะครับบางทีมงทผมก็สวดธรรมจักรติดกันเนี่ยธรรมจักรกับปวนาสูตรเนี่ยถ้าจบนะครับคือป<ม>ุตตวรู้ความหมายแล้วก็พอสวดได้อยู่แล้วพอจบที่สามจบที่สี่นี่ก็สงบนะครับพระอาจารย์เพราะว่าที่ยาวมากครับครับพระอาจารย์ถูกต้องคอยทำต่อไปนะ ก้าพเจา้าครับกับกับขอบพระคุณอาจารย์และขอพระอาจารย์ท้าท์แข็งแกร่งนะครับเดี๋ดวยวสำเนาแม่ผมจะมารายงานใหม่ครับอาา่าด้วยอ่าคุณตายอ่าคุาาคาน้องกับนมมสการขอั้ารอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีอะไรลบแกักิเลสในใจอย่างเดียวครับพระอาจารย์ก็ ภาษานี้รู้สึกว่ามันแย่มากเลยค่ะพระอาจารย์ลบหลายเรื่องมากเลยแรกๆก็ลบเรื่องการกินข้าวค่ะก็ตอนหลังๆก็บอกว่ามันมันหิวก็บอกว่าก็ลบไปข้อหนึ่งไอ้กิเลสตัวข้างในอะนะคะพระอาจารย์บอกว่าก็ก้าวหิวก็กินก็ไม่เป็นไรหลอกลบไปแค่ข้อเดียวหนูก็บอกในใจหนูก็บอ ก, อกตัวว่าไม่ได้หรอกกินไม่ได้แล้วมันข้อนี้มันก็หายไปนะคะพระอาจารย์ ตอนนี้มาข้อใหม่ค่ะอ่าข้อแบบอยากใส่แหวนอยากใส่กำไลอยากใส่ต่างหูบอกว่าอุยมันข้อนี้มันก็มาแก้งอีกแก้งเราอีกอะค่ะพระอาจารย์ข้อนี้บอกว่าเออก็ใส่ไฟก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยใครป่านไปผ่านมาตอนนี้โสมมากเลยนะอะไรเงี้ยมันมันมันยั่วเราะอะค่ะพระอาจารย์ในใจเรามันยั่วใจเราเองเราก็บอกว่าไม่ได้หรอกเราต้อง เราต้องรักษาให้ให้ให้พ้นไปสามเดือนให้ได้เลยแค่นี้เองผ่านมาตั้งไกลแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์มีอะไรไม่รู้มายั่วยุยในใจเยอะมากเลยเราก็ต้องเราก็ต้องยึดมั่นกับกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำไว้นะมันอยา่รักษาสินแต่ก็ต้องรักษาให้ได้ค่ะก็นั่นแหละค่ะโยมก็เลยบอกว่าโอ้ยงวด น, นี้ทำไมมันมาตั้งหลายตัว เลยว่าให้ทําทํายังไงดีแต่ก็ลบกับมันอยู่ ถ, <บ>ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ตัง้งเป้าไว้มันก็จะไม่เจอกิเลสพวกนี้ถ้าเราถือศีลน้าเราก็จะไม่เจอกับพวกกิเลสพวกนี้พอตัอง้งศีลแปดขึ้นมาเราก็เจอพวกนี้เลยพอเจอมาเราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้อย่าไปกลัวมันค่ะเดี๋ยวก็หน้าแห้งหน้าแห้งมากเลยน ะ, ะต้องถ่ายขีปนาะวุธก็ จะหยิบคีมขึ้นมาอุย้ยไม่ได้ผิดแน่ๆก็ต้องตั้งหน่อยๆตั้งมาแล้วไม่พิจารณะไม่พิจารณาสร้างสมบ้างเนี่ยร่างกายทุกคนในใจก็ต้องการเป็นสร้างสมบัติสร้างสมแล้วมันแห้งไหมล่ะมันเป็นยังไง <ขา S 1> บ้ม า, <ถ>าค่ะนั่นนะคะโยมก็บอกว่าอุย้ยไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมันมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่มีตังค์หรือไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจะทาก็อย่าไปทามันก็หนดยโยมก็บางาาไว้ก็ <ừ. S 2> ไม่ได้ไม่ได้ทา การลบกับมันไปทุกวันนะครับะอาจารย์มันมีตัวใหม่ผลขึ้นมาเรื่อยๆในในศีลแต่ละข้อที่เรากําลังทําอยู่แล้วมันก็จะทําให้เราแบบจะทําให้เราผิดศินทุกวันโยก็ทะเลาะกับมันทุกวันนึกแต่นึกในใจเออนี่เราวันนี้เราบ้าไปหรือเปล่าทะเลาะกับตัวเองพระอาจารย์ก็ดูพระเป็นตัวอย่างพระท่านก็ไม่มีเครื่องสมอางเลยทา ท่านก็อยู่น่าเห็นท่านเดือดร้อนตรงไหนใช่ค่ะหนูก็รบกวนทุกวันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุนี้ไม่รู้ว่ามันจะผุดข้อไหนคน่ไหนเวลาราสวยสวยที่ใจไม่ได้สวยที่กายสวยกายมันสวยปลอมเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดแต่สวยใจนี้ไม่ไม่มีวันแก่ี่อสวยด้วยศีลธรรมนะอาจารย์นะค่ะ โ, โ, โ, โ, โยมก็นึกถึงพระอาจารย์ตลอดอะไรที่มันแบบว่าจะ จะผิดสิ่หรือว่าจะอะไรขึ้นมายมก็พยายามงัดเอาคําสอนของอาจารย์มาสอนใจตลอดเลยค่ะอาจารย์ยมขอให้ตัวเองผ่านพน้นสามเดือนที่ไม่ได้เลยอาจารย์เราสวยหน้าตาแต่เราไม่มีสัจจเนี่อะไ น, น, นดีกว่ากันะราก็โอบวางลงเจ้าะาขาอข า, าจารย์าดีกว <ๆ S 2> ๆๆ่คนที่มีสัจจะนี่เป็นคนที่น่าชื่นชมน่าคข้กล้าสมาคมด้วย คะ่จะจะพยายามค่ะพระอาจารย์กบขอ บ, ขอบคุณกำลังใจคะ่ะขอให้พรอาจารย์หน้าฐานแข็งแรงนะคะเป็าานหมอพราชนะหมอพราชนะไม่ไม่มีปัญหากับเรื่องอะไนี้นสบายเลยนะเพราะว่าพระอาจารย์ให้นั่งสมาธิะค่ะตอนช่วงเรต้นก็นั่งตามที่พระอาจารย์บอกอรู้สึกว่าสมาธิความสงบมันช่วยมากเลยพระอาจารย์ก็ตั้งแต่ทํามาตอนนี้ก็กินข้าวมามื้อเดียวคือไม่คิดว่าจะกินข้าวมืเดียวได้ กินมาตลอดนะพระอาจารย์เพราะว่าสมาธิที่พระอาจารย์สั่งสอนให้เราอาหารใจก็ใจนม่าหานมันก็เลยไม่หิวมันก็เลยไม่แมไม่หิวทางอาหารกายการแปลกมากเลยมันก็ไม่หิวแล้วก็อในสันชิกก็นั่งได้ไปเรื่อย ๆ, ๆเลยนะยพระอาจารย์ก็ดีค่ะอืมก็ก็ยังสงบสบายนะคะพระอาจารย์ยังทําตลอดแล้วก็แต่ว่าวันศุกร์เนี่ย่ไม่ได้ไปหาพระอาจารย์นะคะเพราะว่าเดืสิขึ้นเหนือ จะไปขอพระอาจารย์อยู่วัดอีกครั้งเพราะท่านกลับมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะให้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ท่านจะปปิดปิดวัดเก้าโมงค่ะก็เลยต้องไปขออนุญาตใหม่อีกรอบแล้วไปไปทุระของลูกด้วยอืก็รู้สึก ด, ดีเลยทัาสบา ย, นะบายเราไม่มีข้อกําหนดกับใครงนัใครจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ไม่ได้เสียสใจนะพระอาจารย์เขาไปวัดเหมือนกันแต่คนละวัดทั้งนั้นเอง ไปขออนุญาตเพราะเดือนหน้าก็จะไปอยู่ไงคะระอเพราะอย่าพอตั้งใจว่าพันสันจะไปอยู่วัดแล้วก็จะไปหาพระอาจารย์ที่บอกที่เรียนพระอาจารย์ไว้ยังแล้วก็จะไปอยู่วัดค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวไปขออนุญาตท่านมาเดือนหน้าท่านจะอนุญาตให้อยู่ไหมแล้วก็ไปเยี่ยมท่านด้วยค่ะเอาเอาอกรณ์ไปให้ท่านเอกายภาพต่อแล้วก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อกลับมาแล้วค่ะอ่ามัธยอาศัยต้องขอขอบคุณพระอาจารย์นะคะก็พี่หนุ่มก็ก็แบบมีกําลังใจก็ ก็รู้สึกว่าแกก็รู้สึกมีกําลังใจขึ้นนะคะว่าไปด้วยกันแต่ที่ยังดึงสองคนกันนะคะลูกลูกยังลูกยังแบบยังทางโลกไม่เป็นไรก็ไม่เราก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้เศร้าใจแต่ว่าเขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาค่ะถ้ามีโอกาสก็จะพามาพาอาจารย์ทํางานเยอะเลยยังไม่ถึงเวลาของเขาค่ะใช่ค่ะแล้วคุณพ่อก็คุณพ่อก็คุณพ่อก็พาคุณพ่อไปให้ใจสว่างให้ไปเที่ยวให้อะไรเพราะคุณพ่อจะเริ่มหลงเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ ก็ดูแลดูแลท่านเ ท, ท่าที่ทําได้แล้วก็ไม่คาดหวังนะคะ mm hmm. คือไม่ได้คาดหวังว่าท่านต้องทำนู่นนี่ได้อะไรเงี้ย mm hmm. ค่ะก็คือคือทําเท่าไหร่ทาเท่าที่ทําได้แล้วก็ให้รู้สึกว่าค่อนข้างจะแบบอิ่มปิติค่ะว่าเออได้ดูแลท่านตอนทีน่ท่านท่านต้องการค่ะอโอเคค่ะทุกคนขอบคุณค่ะไปที่คุณแนนต่อคุณแนน้นนนนำเก่านางมาสกงค่ะพระอาจารย์ดูไม่มีคําถามแล้วค่ะ โอเคหมอใหม่หมอหม่หายหน้าไปหลายอาทิตย์นะเป็นเดือนนะกับอาจารย์ค่ะก็หายไปประมาณสี่ห้าอาทิตย์ค่ะอาจารย์ก็มีมีโอกาสได้ไปบวชถือศีลแปดค่ะที่วัดที่โคราชค่ ะ, คะก็ตอนนั้นก็ก็รู้สึกว่าคือที่วัดเขาจะเน้นเดินเป็นหลักค่ะ ก็รู้สึกว่าเดินไปมันก็เหมือนสติมันไวแล้วก็มีความคือเดินก็ได้เหมือนได้สมาธิด้วยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากําลังของสมาธิมันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวตัวสมาธิมันมันติดไปในชีวิตประจาวันก็คือมันเหมือนกับว่าการปฏิบัติมันมันเกินไปกับการใช้ชีวิตได้ง่ายง่ายขึ้นแม้กระทั่ง เดินไปดูคนไข้หรือว่าเดินไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินเดินจงกรมค่ะแล้วก็ระหว่างวั น, นก็จะไม่เสียเวลาทิ้งค่ะก็จะนั่งสมาธิมีช่วงว่างเท่าไหร่หนูก็จะนั่งไปเรื่อยๆค่ะก็ะนั่งมันจะสงบกว่าเดินค่ะค่ะก็ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่าว่ามันมี มันมีความรู้สึกว่าจิตกับกายมันแยกกันได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอเวลามันมีความเจ็บปวดทางกายอะค่ะอย่างเช่นเออหนูหนูเดินเยอะจนเท้ามันพองอะไรค่ะมันก็จะไม่ได้รู้สึกทรมานเหมือนเหมือนปกติอะค่ะมันก็จะรู้สึกแค่ว่ามันเจ็บและมันก็ยังใช้ชีวิตต่อได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หนูก็เห็นอารมณ์เห็นความคิด แบบนิดๆหน่อยๆมันก็จะเห็นชัดนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าสติมันมันจะตัดไปใ ห, ให้ให้เรามาอยู่กับกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นให้ใจเรานิ่งเฉยกันแล้วกันไม่ว่าเราจะสัมผัสรับรูบ้กับอะไรก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังอนัตตาไปค่ะก็เหมือนกับว่าหนูหนูเริ่มเข้าใจว่าว่า จริงๆแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบภายนอกค่ะมันมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์มันมีแค่ความเห็นความเห็นต่อเหตุการณ์นั้นๆของเราค่ะที่มันมันไปนตีความให้เราทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>มันก็เลยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนคนอื่นหนูก็พอมันเวลากระทบอะไรในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะดูตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม พยายามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังอะอนาตตาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ค่ะก็<า>ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาไปค่ะก็ะระลึกถึงหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆค่ะระหว่างวันก็หนูก็จะเปิดทุกบ่ายสองหนูก็จะเปิดเปิดไลฟ์หลวงพ่อค่ะตอนที่ที่โรงบาลค่ะอืมก็เดี้พยายามเปิด นฏิบัตไปเรื่ยๆสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะถามตัวนี้ค่ะหนูหนกมีหนึ่งคำถามค่ะหลวงพ่อคือว่าช่วงเนี่ยมันมันงานเยอะสะสมมาหลายเดือนเนี่ยค่ะคือหนูไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิจนที่มันจะเข้าชานลึกๆเข้าชานลึกๆได้ค่ะแบบที่มันตัวรู้มันหายอะค่ ะ, ะหนูหนูต้องต้องแก้ไขตรงตรงไหนดีค่ะอ๋อต้องไปเปเว้ยต้องไปอยู่คนเดียว ไม่มีงานทําไม่มีเรื่องให้คิดถ้มันคิดอยู่แล้วมันนั่งสมาธินี่มันยากที่จะทําให้จิตรวมได้ต้องไปอยู่คนเดียวไม่มีงานให้ทำคอยควบคุมคํามคิตตลอดเวลาเวลาที่เราเดินจกกงกรมถ้าพอราานั่งเราก็สามารถที่จะนั่งได้สงบมากขึ้นตามลาดับของกําลังของสติของเราได้ครับ<ะ>ต้องไปเปียกไม่เวทถ้าเราอยากยาเข้าไปนั่งเข้าไปในฌานเนี่ย ได้ค่ะหลวพ่อก็เดี๋ยวจะหาเวลาลาลางานเราไปปีวิเวกอีกทีหนึงค่ะอืมลองดูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทันทีเนะไปแล้วบางทีใจมันยังคิดถึงเรื่องงานอยู่ก็เลยเอางานติดตัวไปด้วยเข้าใจาค่ะเอางานเอาเรื่องคนนั้นคนนี้ติดตัวไปกับเราด้วยกว่าจะสลับมันทิ้งไม่ได้หมดก็ถึงเวลากลับบ้านนะ่ะ <laughs> เข้าใจเลยค่ะต้องอยู่ยาวๆไปเลยอยู่สักสามเดือนปีหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยมือนั้นจ่าบนนี้มันเหมือนกัอย่างแต่ก็ยังดีได้อย่างน้อยก็ได้ไปสลัดมันทิ้งบ้างมาไม่ต้องไปบ่อยๆต้องไบ่อยๆอยู่นานๆคนนึงยังดีก็วันวันนี้หนูไม่มีคำถามแล้วค่ะโอเค ขอปฏิบัติไปนะะทำที่เราจะทําได้ะตามกำลังของเราตามสถานภาพของเราทําหน้าที่เราทําได้อย่าไปอยากมากกว่าที่เราจะทําได้เราจะทําให้เราทุกข์ไปเรคเปล่ากลับหลวงพ่อค่ะสาธุคุณเอกเชิญคุณเอกเชียงรายน้อมกับนวสการพระอาจารย์พระผมเป็นยังไงมีอะไรไหมก็ คนนี้ไม่มีครับพระอาจารย์ก็เข้ามาร่วมรับฟังครับแต่ว่าก็ปฏิบัติทุกวันนะครับพระอาจารย์ทำเหมือนเดินะข่าวก็ไม่โทรไม่ก้าวน้อยู่อยู่กับที่ก็ตอนเข้าสองที่ตอนตอนเช้ามันก็อยู่กับลมไปแล้วก็ลมก็หายไปก็อยู่กับตุดลมไปอย่างงี้ครับพระอาจารย์ทำออยู่ไปถ้าถ้ามันจิตมันโกแวกเข้ามาก็พูดโทรพูดโทไปครับพระอาจารย์แล้วก็นิ่งไปครับพระอาจารย์ในช่ตอนเช้าครับ เราอยากจะก้าวหน้าเราต้องเพิ่มระดับของความเพียรให้มากขึ้นเพิ่มระดับของความทุกข์ให้มากขึ้นความทุกข์ทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งนั่งนานๆเดินานๆหรือไม่นอนนี้ครรับพอมีความทุกข์เราต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิช่วยสู้กับมันไปครับผมครับผมได้ครับอาจารย์ครับโอเคขอบอกขอบคุณพระอาจารย์ครับครับ อันนี้คุณ น, น, น, นิสาน้องคุณนิสาเอเอเอวเกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ลูกก็ยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เหมือนเดิมคืนว่าค่ะเข้าเดิม <laughs> ไม่อยากให้ลดลงค่ะพย า, ยามเพิ่มค่ะพาจารย์อย่างน้อ ย, อ ย, อ, ยอย่างน้อยไม่ถอยหลังก็ดี ข่าวพยายามข่าพระอาจารย์ก็วันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พระอาจารย์สนทนาธรรมกับคุณหมอเบียรอะค่ะพระอาจารย์ออืพี่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องว่าพระอาจารย์ดนั่งสมาธิโดยใช้การเผาร่างกายค่ะพระอาจารย์คือลูกลูกก็เคยเคยทําอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกมีปัญหาเวทนาที่แบบเวลานั่งนานๆแล้วแบบ ที่ขาแล้วก็แบบมันจะเสียดท้องค่ะผ้าจารย์อืมแต่ก่อนแบบแต่ก่อนเหมือนทําได้แต่ว่าไม่ได้ว่าเผาทั้งตัวนะคะผ้าจารย์มันช่วยได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนมันมันนึกไม่ออกค่ะผ้าจารย์มันนึกภาพไงไหมกัรเราดูหนังอย่างเงี้ยหนังคนก็เผาคนแล้วก็ปล่อยมันก็นุกท่วงร่างกายไปเผาไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายมันก็สุดซุดลงมามันกลายเป็นกีธาลงไป เราต้องเราต้องอิมเมจินเราต้องใช้ความคิดของเราปรุงปรุงขึ้นมานึนภาพขึ้นมาเป็นเออใช้อเอไอมาช่วยเข้าใจไหมค่ะอาจารย์หรือว่าลูกไปแบบมีความอยากมากไปหรือเปล่าค่ะรอ า, า, าจารย์ไม่ต้องเลยหรอกวรายัง <c oughs> ย, ยากจะได้ผลต้องอยากไปสนใจใ <c oughs> นผลตอนที่เรานัา่ง เ, เราต้องดูความเจ็บความเจ็บนี้เปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนไฟแล้วเริ่มเห็นมันเริ่ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมัน มันเผามทั้งร่างกายออกไปเอามันไปทั้งๆเผาไปทั้งๆร่างกายนี้กลายเป็นที่เท่ามันร่างกายมันก็ฟุ่ลงมากับพื้นแล้วตอนนั้น <tasting. S 2> มันจะรู้สึกว่าใจกับร่างกายนี้มันแยกออกจากกันอพราร่างกายมันไม่มีแล้วเนี่ยร่า <c oughs> งกายมันกลายเป็นดินนะค่ะ <c oughs> มันรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเป็นเป็น เ, น, เ น, นื้อเดียวกับพื้นที่เรานั่งอยู่แล้วกุฏิที่เรานั่งอยู่นี่มันก็เป็นพื้นเดียวกับพื้นดิน ทั้งโลกไปเลยมันเห็นว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นมาอันนี้มันเป็นของมันเองหลังจากที่ร่างกายพอมันฟุบลงไปแล้วนี่มันความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ไปคาดหมายมาก่อนอไม่คาดไม่ได้ของนี้มันต้องให้นเป็นไปตามธรรมชาติข่งมันค่ะสงสัยู้จะคาดใหม่มากไปที่เราคาดได้คาดเพียงแต่ไม่ทันาที่กําลังปรากฏอยู่การเป็นไฟ เดือด้ายเราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรืค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราเราคืองั้นตอนนั้นคือช่วงนั้นก็คือเราจะลมหายใจของเราเราก็ไม่ต้องโฟ ก, กัสตรงหน้าเราไม่แล้ว ด, ดูดูที่ไฟอย่างเดียวดูที่เวทนาอย่างเดียวการนอนที่มันกําลังเผาพานั่งกายอยู่แั้นถึงภาพไฟมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแรงขึ้นต่อไปนั้นก็เผาท่วหัวไปเลย แล้วผ่าวไปถ้พักอย่างเดียวร่างกายที่ถูกผ่ามันก็จะกลายเป็นที่เท่าเลมันจะฟุบลงมาค่ะออกฟุบลงมาแล้วนั่ยเราไม่ได้ทําอะไรต่อนั้นมันมันไปของมันเองเลยมันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันกลายเป็นดินเลยเป็นพื้นเป็นพื้นเดียวกับเป็นพื้นเดียวกับที่เรานั่งอยู่ที่ร่างกายนั่งอยู่แล้วพื้นกติตัวกติก็เป็นเป็นพื้นพื้นเนื้อเดียวกับแผ่นดินที่เรา ที่ตัวปติตั้งตั้งไว้อยู่มันเห็นว่ามันเป็นเป็นดินในหมดเลยส่วนจิตเนี่ยงั้นมันก็สงบเงียบนิ่งสงบไม่เคยสงบเงียบอย่างนี้มาก่อนอันนี้มันต้องต้องให้มันเป็นไปเองแ ล, แล้วแล้วเราไปคิดไม่ได้อลูกฟังพระอาจาแล้วรู้สึกแบบมันลึกซึ้งมากเลยค่ะพาระอาจารย์มันทําให้แบบมีกําลังรู้สึกแบบอยากจะอยากจะแบบ อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถึงใส่ความอยากมันจะเยอะค่ะอาจารย์เลยฟุ้งซ่านไปนิดหนึ่งมองแบบอินเวนจิเนียร์ไปมากเกินไปอย่างเงี้ยควรต้องเป็นสเต็ปสเต็ปก่อนใช่ไหมค่ะอยู่กับเวทย์นาอยู่กับไฟค่ะอยู่กับความเจ็บไปคิดเอาความเจ็บนี้ไปไหมนั่นไฟกําลังเผาน่างกายของเราค่ะลูกจําได้ว่าลูกเคยทําได้แต่ว่ามันไม่ได้เผาขนาดที่แบบ ต้องบ้านอะไรเงี้ยมันแค่แบบขึ้นตัวหรือหัวไว้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนมันรู้สึกว่ามันแบบสงบแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานนะคะพระอาจารย์ออาจจะสติตรงนั้นดีอะไร่เงี้ยค่ะพระอาจารย์เราไมีสตินี้ไหมถ้าสติมันนี้มันจอดูไม่ได้เดี๋ยวลูกก็ต้องหาช่องของมันทําให้ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ลองทําไปเรื่อยๆทำไปเ่อ มันต้องใช้เวลาฝึกใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทั้ง อ, อ, อค่ะสติต้องดีด้วยแล้วก็สมาธิต้องลึกพอสมควรใช่ไหมคะะอาจารย์อ็ทางปัญญาด้วยปัญญาด้วยค่ะก็จะพยายามค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะเราพระอาจารย์รักษาพา้าขาดนะคะแก้สาธุ ค, ค่ ะ, ะคุณยินดีต่อ ีอยู่นิวยอร์กเป็นยังไงหนวระล่านี้อากาศกําลังดีคะ่ะท่านอาจารย์ออยู่ที่นี่ก็ไม่ร้อนค่ะอากาศอากาศที่ฝรั่งเศสมันมันยังมีหน้าร้อนแต่ที่นี่ไม่เห็นมีหน้าร้อนเลยคะ่ะท่านอาจารย์อมันไม่ได้ร้อนแบบสามสิบแปดสิบสิบเนี้ยคะ่ะท่านอาจารย์ดีดีค่ะอากาศกําลังดีเลยค่ะท่านอาจารย์ กลับมาก็ไม่มีอะไรคะ่ะท่าอาจารย์เดวิดก่อนออกไปก็เหมือนเดิมคะ่ะท่าอาจารย์ก็ลูกทั้งสองก็ขอให้ท่าพระอาจารย์หมนสองเต้เหมือนเดิมคะ่ะท่าอาจารย์อ่าดีขอบคุณนะขอบคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะโอเคไปที่คุณฟังเมื่อไรต่อคุณฟังเมา่อไรนวัฒกธรรมจะขอพระอาจารย์วันนี้มา รับฟังรมค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคทัองเอิงฟัองอยู่บบทั้งเอิง ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อ, อืมวันนี้ก็มีคำถามมมีนิดนึงก็ได้ค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเอิงก็เหมือนมีโอกาสได้นั่งสมาธิ เพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าหลังจากเดินเนี่ยให้ลองนั่งอะไรเงี้ยค่ะก็มีสงบบ้างไม่สงบบ้างส่วนใหญ่จะง่วงทำไมง่วงเนี่ยถ้ามันเดินเสร็จแล้มันไม่น่าจะง่วง อ, อ๋อเพราะว่าไปนั่งในที่แอร์เย็นแล้วก็ตอนบออ่ายออ คือตอนที่หลังจากเดินแล้วถ้ารู้สึกเหนื่อยหรือว่าแบบเราเดินเยอะมากๆค่ะไม่ง่วงแต่ว่าบางครั้งแบบเล่าภาพรวมว่าบางครั้งก็มีอาการง่วงแต่ส่วนใหญ่อ่ะค่ะแบบพอเหมือนเราฝึกเดินจงกรมมากๆค่ะเรื่องความคิดเนี่ยมันก็มีค่ะแต่ว่ามันจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็เลยมีความง่วงเข้ามาม า, ม, มากกว่าความคิดค่ ะ, อ, ะอานจะกินมากมกินมาก กินอ า, หา้หรือเปล่กินกินมันละมือค่ะอาจารย์อ้วนละมือค่ะอันนี้แบบว่าพอเออจะได้ไม่อ้วนด้วยถ้ามัน <laughs> ถ้ามันนั่งแล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินใหม่บ้าค่ะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้จากการ ไม่รู้ว่าได้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปนิดนึงอะคะ่ะก็คือว่าพอเหมือนทั้งเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิอะคะ่ะเหมือนช่วงนี้เวลาแบบมีอะไรมากระทบอะคะ่ะรู้สึกว่ามันมันมี time and space มากขึ้นในการที่เราจะจัดการสิ่งที่มากระทบตรงหน้านะคะ่ะประมาณนี้ค่ะแต่สิ่งที่จะถามพระอาจารย์นะคะก็คือ เออต่อให้เราฝึกสมาธิยังไงอะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ยังมีความคิดอยู่ใช่ไหมคะแต่เราแค่ไม่ไปยึดกับมันหรือเปล่าคะคือสมาธิถ้าเราคุณเข้าสมาธิความคิดมันจะหยุดไปถ้ามันเข้าเต็มที่ถ้ามันสงบเต็มที่ความคิดจะหยุดไว้ชั่วคราวแต่พอเราออกจากสมาธิมาก็กลับมาคิดตามปกติเหมือนเดิมแต่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะไม่ไปถูกกับความคิดนั้น ใช่ไหมคะ <B ad> ก็ไม่แน่ไม่แน่อันนี้ต้องเรื่องของปัญญาอ๋อ oh. เพราะว่าสมาธินี่เพียงแต่หยุดความคิดแต่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่รู้ว่าความคิดนั้นจะกำจัดมันยังไงหรือปฏิบัติกับมันยังไงเวลามันคิดไปในทางที่ทําให้เกิดความทุกข์อย่างนี้จะทำยังไงให้มันหยุดคิดให้ได้ oh. แต่ถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะบอกวิธีว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปเห็นว่าสิ่งที่สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะ สามารถควบคุมบังคับได้สั่งมันได้แต่พอเราสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้เราก็เลยทุกข์เราก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราทุกข์ด้วยมันเป็นอนิจจานาตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครก็ต้องปล่อยไว้ปล่อยให้มันเป็นไปมันจะแก่ก็จะแก่มันเช่นร่างกายมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะตายก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันด้เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน อยังใช้ปัญญาขอบคุณค่ะผู้อาวุโสอ๋อแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่เอิงเจนภาพกระดูก้วพาจารย์ก็บอกว่าให้ลองไปเจนภาพอาหารที่มันออกมาใช่ไหมค ะ, ะทางเอไอเขาจะไม่ทําภาพที่มันแบบเป็นเลือดค่ะแบบภาพที่มันแบบว่าหน้าอุจาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เจนให้แต่มันเจนข้าวกระดูกให้ค่ะออลองแล้ว ลองแล้วไม่อยากทำตามมันเหมือนเป็นรูปกระเพาะเฉยๆให้เห็นส่วนว่าอาหารมันเข้าไปแล้วเป็นภาพการ์ตูนค่ะแสดงว่าเอไอเขามีกิเลสเหมือนกันนะมันก็ไม่ชอบแบบสื้อผ้าเหมือนกันเลือกค่ะไม่อยากให้เห็นภาพไม่ดีอะไรอย่างนี้ยค่ะยังเอาเอไมาใช้ทางธรรมะไม่ได้ให้ค่ะน่าจะแบบไม่พาเราไปนิพพานนะ้ AI นแล้วาก็ดูมันก็ทำเสานดูน่ดูดูน่าสวยงามไปซะอยู่เนี่ย ใช่ค่ะใช่ค่ะผู้อาจารย์อันนี้ดูน่าแค่น่าเกียดน่ากลัวกลับไปดูปเหมือ น, นกับเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะภาพศิลปะไปไช่ค่ะดูอาร์ตอาร์เลยอืาค่ะตัวอย่างแสดงว่าเราไม่สามารถอาศัย AI ตอนนัเราทำทำไม่ได้ผู้อาจารย์อันนี้อยู่แล้วค่ะพู้อาจารย์ก็บอกตลอดว่าอยู่ที่เราขยายกระจเราต้องเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองด้วยการเนดูภาพจริง ไปดูเขาผ่าศพอย่างนี้ไปไปเยี่ยมป่าชาเวลาเขามีการล้างป่าชา<ม>ก็ลองไปช่วยเขาล้างป่าชาดูแล้วก็ขุดหนุ่มศพขึ้นมาจะได้เห็น<ด>เ็นกระดูดที่เหลืออยู่จริงเคยมีประสบการณ์ค่ะเพราะว่าคุณตาเอิงเสียตอนอายุหกสิบเก้าก็ได้แบบอยู่กับศพคุณตาค่ะท่านเสียไปนานแล้วค่ะ ต้องอบนี่ก็เวลาเราเห็นศพมาต่อไปร่างกายเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วร่างกายนอกจากของเราแล้วของทุกๆคนก็เหมือนกันหมดทุกคนในที่สุดก็ต้องกลายเป็นสร้างศพไปอันนี้ไอ้อายทำให้เราไม่ได้รับปรานได้อ่านหลวงพ่ออาจารย์ลองถามไอ้อาว่าถ้าเราเจอสร้างศพแล้วเราจะต้องทํายังไงบ้างต้องถามมันดู ได้ค่ะเดี๋ยวเอิงเทาเดี๋ยวมารายงานพระจารย์นะโอเคกรจัดวัสการพระอาจารย์คุณแปมตอบคุณแปมเน้องกลับมามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะอ่าว่ามาลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้สมาธิลูกมีความทุกข์ลูกใช้วิธี วิธีเออ่เตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทุกข์ว่ามันจะเป็นอะไรถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปแบบนี้นใช้ได้อันนี้เรียกเป็ น, ปนเป็ น, เ ป, นเป็นปัญญาเจ้าค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะไปไปทําได้ทุกอย่างบางอย่างเราก็ทําได้บางอย่างเราก็ทาํ า, าทไม่ได้เมื่อเราทําไม่ได้เราก็อย่าไปฝืนอย่าไปอยากอยาก้วเราจะทุกข์ พอเราหยุดน่ความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เป็นปัญญาเห็นอนัตตาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังครับหรือ ไ, ไปทำอะไรให้มันตามที่เราต้องการได้เราก็ต้องหยุดความต้องการของเราเราหยุดความต้องการได้เราก็หายทุกข์เจ้าค่ะลูกลูกลูกรูกก้สึกแบบนั้นเหมือนกันเจ้าค่ะใอ่ปัญยายมองทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาหมอท่องเจ้าบอก เราจะเราจะทําอะไรได้บางครั้งบางคราวแต่ไม่ได้ตลอดเวลาแในทั้งร่างกายเราเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันคมันได้ตลอดเวลาในทุก ใ, ในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเรื่อความแก่เราก็ควบคุมไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเรายอมปล่อยมันไปมันจะแก่ก็ปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้ เจ้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้วันพระไม่ได้สินแปดเจ้าค่ะได้ได้สินเจ็ดเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะมีกาลังที่จะสามารถรักษาได้วันนี้ก็ลองพูดคุยไปก่อนบางทีก็มีปัญหาเรื่องเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาขัดก็เลยต้องต้องต้องไปทําหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลย<ม>ก็เลยทํารักษาได้ไม่ครบแต่จะ จะไม่ทิ้งเจ้าค่ะจังพยายามอยู่เจ้าค่ะนี่พยายามทาเที่ยวนะครับทได้นะเจ้าค่ะลูกลูกที่ลูกไม่ได้ถือสินแปดเพราะว่าด้วยสุขภาพนะเจ้าค่ะที่ที่เมื่อก่อนที่ลูกเคยถามพระอาจารย์ว่าถือสินแปดแล้วอดอาหารนี่ทําให้ปวดท้องนะค่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยสังเกตดูตัวเองลูกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะท้องลูกว่างเจ้าค่ะลูกก็เลยยังไม่กลางอดอาหารคําเจ้าค่ะอืม แต่ว่าค น, คนที่คนหนึ่งที่ก็ารากษาได้ทำไมเขามันมีปัญหาเหมืนอนเราอันนี้อที่ลูกไม่สบายเจ้าค่ะมันมันมันเจ้าค่ะที่ที่ลูกเคยไปผ่าตัดนิวในถุงน้ําดีคือลูกน่าจะเป็นมานานแล้วเจ้าค่ะแล้วทีนี้สุขภาพดีเจ้าค่ ะ, ะลูกก็เลยเจะถ้ามันเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องต้องยอมน้ํามันไปเจ้าค่ะก็ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมบนเขา ลูกทานมื้อเดียวและลูกก็สังเกตอาการตัวเองก็เลยเลยรูเย้ลเลยว่าเป็นเพราะสุขภาพยังยังไม่ได้ลูกก็เลยไ ด, ได้ได้สินเจ็ดเจ้าค่ะอ่าก็ทําไปส่วนก็กินให้มันน้อยลงก็แล้วกัน ถ, ถ้ากินก็อย่าไปกินมันมากทานทานเรื่องทานนี่ทานน้อยลงน้อยเจ้าค่ะบางทีก็ตามมีตามถกขโถมีอะไรก็ทานอันนั้นไม่ไม่ไม่จุกจิก่ังมากเจ้าค่ะก็กินตามความอยากเจ้าค่ะอย่างมื้อเย็น นะกินเป็นเน ห, นหมือนปัญญาเด้งดูดเด้งร่างกายมาเจ้าค่ะทานข้าวกับเกลื อ, อนี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทานสอง ส, องสไม่ให้ท้องว่างแค่นั้นโอเค <c oughs> ได้เ <c oughs> ป้าหมายกคือการไม่กินมากเพื่อจะได้ไม่ง่วงนอนและนั่งสมาธิจะได้ไม่สับะงสนเจ้าค่ะลูกสังเกตดูเหมือนเหมือนกันว่าบางทีถ้าลูกห่างห่างห่างห่างไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ลูกฟังเทศของพระอาจารย์บางทีก็ใจจะออกข้างนอกมากกว่าไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยมีสติในการฟังเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าถ้าช่วงไหนฟังติดต่อกันนี้ก็คือจะมีสติในการฟังแล้วก็นั่งสมาธิได้อย่างงี้เจ้าค่ะ ก, ก็สังเกตตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะว่าถ้าห่างรู้สึกเลยว่าใจจะเริ่มวุ่นวายเริ่มไม่สงบเริ่มไม่มีความสุขยางงี้เจ้าค่ะ แตดงว่าเราไม่มีสติแล้วต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อ ย, อ ย, ยถ้าลูกเป็นอาการแบบนั้นลูกก็จะรีบมาฟังธรรมะของพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้ะจะพยายามฟังพยายามอยู่ได้หรือสวดมนต์ไปก็ได้ครับลูกลูกใช้วิธีเอในระหว่างวันลูกใช้วิธีสวดอิทีพีโสเจ้าค่ะแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าพุโทโธกลับมาพุโทโธยากเจ้าค่ะอืม ใช้ได้ใช่ไหมได้ใช้ส่วนมนุษย์ก็ได้ <c oughs> ส่วนไปเรื่องๆหรบจนกว่าจิตมันจะไม่ลอยไปแล้วก็เราก็หยุดได้เจ้าค่ะก็ประมาณว่าลูกสวดอีทีปีโซถ้าถ้าเผลอไปคิดอย่างอื่นแต่ลูกก็จะกลับมาอีทีปีโซได้เจ้าค่ะได้สวนไปเรื่องจนกว่ามันจะไม่ไปอยู่ก็อยู่กับ อ, อีทีปีโซไปตลอดเจ้าค่ะโอเคคนะ่ะ น้องกาบขอขอบคุณคุณเม่งเจ้าค่ะคุณเนงตาคุณเนงกาบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมก็พยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์อืพยายามอะไรพยายามนอนพยายามกินก็จริงๆตอนแรกอ่ะก็ลดนื้อเย็นได้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิก็ได้เพิ่มขึ้น ทีนี้ว่ามันมีวันที่ยี่บเอ็ดยิบสองก็คือแบบว่าชวนเพื่อนนะคะเป็นเจ้าภาพถวายพัตาหารวัดแถวบ้านนะซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์เหมือนกันมีพระเป็นร้อยเลยค่ะคือดีมากอยากถวายพัตาหารอย่างนี้มานานแล้วก็เลยทั้งสองวันเนี้ยก็คือบุญสำเร็จแล้วก็รู้สึกปีติมากพระอาจารย์แต่ว่าโยมกลับมาวันที่ยี่บสองอะโยมปวดหัวประมาณ สิบโมงอะยอมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปวดหัวแล้วยอมก็เลยแบบนอแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายมันเหมือนจะแบบยังไงดีพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเราทั้งมันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าทําไมปวดหัวหรือว่าอะไรยังไงยอมก็คิดได้ทุกทีหรือว่าเราตื่นเช้าก็ทุกทีเราก็ตื่นมาปฏิบัติตอนนี้มันยังไงไม่รู้ทีนี้ว่าโยอมก็เลยแบบคิดว่ามันมันอาจจะเกิดจากความอยากของโยอมอะพระอาจารย์ตอนยอมก็เลยคิดว่า เออหรือว่าเรามีความอยากอะไรสักอย่างหนึ่งไห้ยมยมก็เลยแบบไปกินส้มตาพระจานทร์ตอนเย็นเมือันนี้แล้วปรากฏว่าอาการที่มันแบบเหมือนปวดหัวปวดหัวมันดีขึ้นน่ะพระจานทร์ <c oughs> ยมก็คิดว่ามันน่ามาจากความอยากของโยมนั่นแหละที่มันทําให้ร่างกายของโยมอะ <c oughs> เกิดการแบบเหมือนแบบมันเหมือนไปฝืนมันมากเกินไปอะ่ะทั้งแบบ ตื่นเช้านั่งสมาธิมากขึ้นแล้วอดอาหารอย่างเงี้ยเหมือนร่างกายคือเรามีความอยากเยอะอาภัจจา์แล้วพอไปไปไปมันเยอะมันก็เลยดีขึ้นมายมก็เลยใจยจ่อยหน่อยนะพระอาจารย์มันก็เลยแบบตอนนี้มันก็เลยกลับมาว่าฉันแบบรู้สึกว่าฉันอยากมีความอยากมากมากเลยพระอาจารย์มันไม่ใช่วิธีแก้ความอยากที่ถูกต้องวิธีแก้ต้องหยุดความอยากด้วยการเข้าสมาธิาพอจิตนิ่งสงบความอยากก็อยากไป แต่ถ้ามากินตางความอยากความอยากมันไม่หมดนะพรุ่งนี้มันก็อยากจย่าเดียว๋ยมต้องเริ่มใหม่ค่ะพระอาจารย์แต่ยมเห็นแล้วว่ามันน่าจะมาจากความอยากนี่แหละอืม้องทำจิตให้สงบแล้วความอยากมันจะน้อยลงไปค่ะค่ะก็ต้องทสมาธิบ่อยๆอค่ะอาจจะเป็นไปว่าคือพอเราไปไปทามีเวลาไปไปวัดไงมันถามว่ามันดีมันมันก็ดีนะมันก็ได้ในส่วนทานแต่ว่าเวลาสงบอ่ะ จริงๆว่ามันเหมือนไม่เหนื่อยแต่มันก็เหนื่อยเพมันต้องขับรถไปต้องยกนู่นอันนั้นนี่คือมันก็ใช้ความคิดเยอะค่ะอาจารย์ใช่บุญที่ได้จากการทำทานนี่ยมันเป็นบุญที่น้อยกว่าบุญที่ได้จากการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ควรที่จะไปหาบุญที่น้อยกว่าเราควรจะหาบุญที่มากกว่านี่ค่ะคือปฏิบัติไปเจ้าค่ะแต่อย่างว่าบ า, างทีเราก็สู้กิเลสไม่ได้ เพราะกิเลมันชาอบทำบุญที่มันมันน้อยกว่าเพราะมันได้กินได้เกินนะถ้าปฏิบัติมันไม่ได้กินเนี้ยมันไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะต้องอยู่คนเดียวเป๋วเว้ยแต่พอไปทำบุญเนี่มันไปพบปะคนนั้นคนนี้ไปเห็นนู่นเห็นนี่กินนู่นกินนี่ม okay. ันได้ออกไปนัะเสบรูปเสียงกลิ่นรสกิเลสก็เลยชอบนี่คนที่เสร็บุญกันเนี่ยใช่ค่ะแล้วมาแบบนิ่งบบโอ๊ยบุญนี้แบบ ยมไปฟังรรมะแบบบางทีว่าโอ๊ยการได้ถวายพระตาหารพระ ส, สงฆ์เป็นร้อยลูกมีพระพุทธเจ้าแบบมี ม, มีอะไรนะพระพุทธลูกเป็นประธานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นบุญเยอะอะไรเง <laughs> ี้ยเยอะเยอะยังไงก็สูอบุญที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้นะค่ะ ค่ะยมจะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะอาจารย์เข้าใจแล้วคะ่ะเห็นแล้วค่ะว่าอ๋อมันเกิดจากกิเลสที่มันดีดขึ้นมานั่นแหละจริงๆพอเอากินส้มตามหายเลยแ <c> ล <oughs> ้ค่ะ <c oughs> พระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุคุณหมอช่วทักทายต่อลูกไม่มีคําถามอะไรเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ยังสงบ อ, อยู่สงบดีเจ้าค่ะโอเคสาธุขอบพระคุณค่ะ ไปไ ด, คด้คุณญาณัญญาคุณญาณัญญาเช่ค่ะขั้งแรกนะสวัสดีค่ะพระอาจารย์เคยไปกลาพระอาจารย์ที่ทดดค่ะไปไปที่วัดนะคะเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาแล้วได้กลับเมืองไทยไปเดือนพฤษภาเจาค่ะ ตอนนี้ก็ อ, อยู่ที่อเมรกาอยูไ่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่นี่เป็นหลักก็ครอบครัวอยู่ที่นี่สามีแล้วก็มีลูกสองคนค่ะอาจารย์ช่วงนี้น้องๆก็ปิดเทอมก็มีมีความกระทบกระทบในเรื่องของอารมณ์นะคะก็พยายามทำกายานุปัสติกะคะ่ะคือเหมือนกับรู้กายแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนนอนก็จะสวดมนต์ถุกคืน แล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเนื่องจากอยู่ไกลบ้านก็ได้การฟังเทศของพระอาจารย์ที่ช่วยให้จับหลักแล้วก็ระลึกถึงคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ก็อาจจะขาดคืออยู่ที่นี่มีข้อดีตรงที่ว่ า, ามีความสัตยายาคือสงบ แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่แบบเราคุ้นเคยได้ไปไซบาหรือว่าได้ไปกราครูบาอาจารย์นะคะพี่คะเอาครูบาอาจารย์เข้ามาที่บ้านาเนราแทนทำไมที่เรามีเสื่อเช่นตอนนี้ก็เราก็เอาเพื่อนปฏิบัติธรรมาเข้ามาในบ้านเราสนทนาทำกันค่ะแล้วก็รู้สึก ดีใจมาที่มีช่องทาง น, นี้เพราะว่าเหมือนก็ไม่ได้ไปกลับด้วยตัวแต่ว่ามันก็ช่วยได้มากมากนะคะมันก็เหมือนกันอะประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่การกลับประโยชน์ที่เป็นการได้ยินได้ฟังมากกว่าใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็ก็พยายามเพราะว่ารู้แบบรู้จริตของตัวเองว่าตึงเป็นคนสันโดษแล้วก็มีเป้าหมายเพราว่าแบบ อยากปลอดภัยถ้าเกิดได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้แล้วอย่างน้อยอยากมั่นใจว่าได้บรรลุในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่เนื่องจากมีทั้งครอบครัวแพ็กเกจครบมีสามีมีลูกและยังเล็กอยู่ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ต้องคงต้องรอส่งเขาให้เข้ามาหาลัยอะไรให้จบก่อนแล้วก็จะพยายามจากนี้ไปก็พยายามปฏิบัต เรื่อยๆแต่พอเขาเราห่วงลูกน้อยลงลูกเขายืนด้วยลำลำแข้งของตัเองได้แล้วอ่ะเราก็คงจะสรุปกว่านี้นจะพาพระจารย์ก็ทำเท่าที่เราทําได้ไปก่อนทำควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตของเรามีสติโ<ะ>ยคการกระทําต่างๆค่ะแล้วก็มีเวลาว่างก็นั่งสมาธิบ้างห้า<ะ>นาทีสิบนาทีก็ยังดีค่ะ เพเวลามีสิ่งที่กระทบเยอะอะค่ะบางทีนั่งสมาธิมันมันสงบยากคือจะจะเป็นการสวดมนต์แต่พอลุกหลักเราเราสวดมนต์พอสวดไปจะเกิดจะสงบเราง่วงค่ะพอาจารย์ <c oughs> ไม่เป็นไรทำแล้วที่ทำไเท่าที่เราทําได้ค่ะอาจารย์ค่ะคิดทางปัญญามากทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เกิดไม่ดับอมาแก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยกันทุกคนค่ะ มันไม่ไไม่นหวงกันมากใช่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนข้างนอกเวลาทำอะไรเราจะไม่ค่อยเราเราจะตัดได้หมายถึงว่าตัดความรู้สึกได้แต่ถ้าพอเป็นลูกหรือเป็นคนที่เราหลานเนี้ยมันความห่วงมันมันหนักอะคะ่ะอาจารย์ก็พยายามจะบาลานซ์เพราะเรารู้ว่าเราโตมาเหมือนกับว่า เรารู้ว่าถ้าเขาไม่มีนิสัยที่มีวินยัยหรือเขายังเรายังไม่ได้ปลูกฝังเขาตรงนี้ตรงนี้อีกหน่อยเราจะปลูกเขาอีกยาวแต่ถ้าเราเราสอนให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดีมีวินยัยเป็นเราเราจะเราจะเราจะปลูกหน่อยใช่ค่ะอนะาจารย์ก็รู้สึกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นห่วงที่ที่ ท, ที่ที่พย า, ยามจะบาล a นซ์ให้ ให้ได้เพราะว่า<ก>มันทำให้จิตมันส่งงงเรวก็ทําเท่าที่เราทำได้ส่วนเขาจะทําตามที่เราสอนไหมไม่ น, นั้นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเคยเห็นแบบว่าพ่อแม่ที่ห่วงรูปแล้วห่วมไปจ น, นแก่เลยไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคะระผ่าจาน ม, มันหนักค่ะผ่าจานก็ต้องมองความจริงมาทุกอย่างในที่สุดก็ต้องจบลงด้วยความตายด้วยกันห่วงแล้วไม่ห่วงก็ตามันจะได้ไม่ค่อยหว่วงเท่าไหร่ แต่เขาก็เป็นเด็กดีนะคะคนตรตนี้คื อ, อจะคอยเตือนให้สด็มุนตลอด ใ, ให้แม่สสดมุนตลอดดีก็ตายไม่ดีก็ตายวันนี้ไม่พยูดยความตายทุกคนเราอยู่ <c oughs> ในโลกของตอนนี้จังกลแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพยายามสอนใจให้น้องยอมรับความจริงอันนี้น่าจะไม่ค่อยห่วงอะไรเท่าไหร่สาธชนแต่ก็ทำหน้าที่ของเราไปด้วย มั่น้าที่สอนก็สอนไปแต่เขาจะเป็นยังไงก็ เ, เป็นเรื่องของของเขาเขาจะสามารถน้อมรับไปได้มากน้อยเท่าไหร่เขาเป็นเรื่องของเขาเราจะที่ได้เขาไม่ได้ไดอแล้วยังไงในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันดีก็ตาย <c oughs> ไม่ตีก็ตายเป็นระหว่างนั้ชาตายเร็วตายก่อนตายหลงัง อยู่ตอนนี้อยู่ที่รัฐไหนอยู่โคลรนารุ่เจ้าผาอาจารย์อืมทำได้นะเคยเคยมาสายมาใช่ไหมเคยมาไปไปฟังธรรมนะกุฏิเจ้วค่ะแล้วก็ไปนั่งสมาธิก็ถอายกันทางยังปื้มอยู่ถึงตอนนี้เลยแล้วอาจารย์คืออยู่เมืองอะไรเดินว่าอยู่อยู่ใกล้ใกล้โบเดอร์เจ้าค่ะเดอร์โอเคต่างา มีอะไรไหมอ๋ออยากขอบคุณผ่าตาแล้วก็จะตั้งใต่ปฏิบัติผ่าจันร์มีอะไรค่ะอบลงสั่งสอนไมต้องคะคิดว่าตอนนี้แบบด้วยหน้าที่ความเป็นแม่แล้วอยู่ที่นี่ไม่มีเฮลเปอร์มันมันมันจัดเวลาการปฏิบัติยากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามเก็การมีสติอยู่งานที่เราทํานี่นก็ถือว่าเราได้ปฏิบัตินะมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาตั้งแต่เลีมยงตาขึ้นมาแล้วก็ ตั้งสติอยู่กับที่ร่างกายของเราเขาดูว่าร่างกายเราของเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังอาบน้าอาบถ่ากําลังรับประทานอาหารเนื้อทําอะไรทํำนี่แล้วปฏิบัติทําได้คบคู่กันไปด้วยการจนารันสติอย่าให้ปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เร า, เรากาลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวเทานั้นแหะนี่ก็ทถ้าเราฝึกนี้ได้เราก็จะมีสติ ถ้าเวลาเราว่างเราก็นั่งสมาธิได้อย่างง่ายได้แล้วเวลาเราสวดมนต์แล้วเราปีติกับพรนะอาจารย์นั้นถือว่าเป็นบุญใน้รอบครัวพระอาจารย์ใช่มันก็เป็นจิตกำลังสงบนะถ้าเกิดไปติขึ้นมาก็าแสดงว่าจิตมีความสงบเพิ่มมากขึ้น แ, แต่ยังไม่เต็มที่มีความสบุบมีความสุขที่เหนยวกว่า น, นั้นเงีงถ้าเราทําต่อไปให้จิตนิ่งให้สงบ เพราะว่าเคยทําได้จําความรู้สึกได้ตอนนั้นยังยังไม่มีลูกแล้วก็ไปนั่งสมาธิค่ะพอาจารย์ไปเคาะเคาแล้วนั่งแบบไปดิ้ตั้งใจอ่ะพอมันสมเหตะเราได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองนะคะอาจารย์เคยทําได้สอครั้งจําความรู้สึกนั้นได้อันนั้นคงเป็นสิ่งที่ลึกที่สุดเท่าที่ความรู้สึกตัวเองจาได้ค่ะก็ทําต่อไปเนี่ยก็ได้อีกถ้าเคยได้แล้วเนี่ยมันก็ได้อีกเพียแต่อย่าไปอยากได้เท่านั้เอง นั่งอย่าไปอยากได้อย่าไปสนใจกับถึงผลที่เราเคยได้ในอดีตให้เราตั้งสติอยู่กับงานที่เรากาลังทำอยู่อันนั้นถือเป็นอัปปนาสมาหรคะทานอาจารจะเรียกว่าเป็นอัปปนาหรือไม่ก็ได้นะแต่เ่าทำการนั้เรามีความสุขจากการนั่งเป็นความสบายเป็นความนิ่งใจนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่คิดอะไร อันนั้่เรียกเป็นอัปปนาสมาธิถ้านิ่งนานๆถ้านิ่งนานเดนียวๆก็เรียกว่าคานิกะสมาธิครัอบอาจารย์ฝึกสติไว้แล้วสติจะเป็นตัวพาเราไปสู่สมาธิต่อไป้ครับอาจารย์เราสามารถฝึกสตไิได้ทุกๆวันทั้งวันให้เรามีสติอยู่แลกับนัานกายของเราดูนั่งกายของเราตลอดเวลา ถ้าเราจะา น, นั่งสมาธิแล้วก็ดูลมต่อไปแล้วพุโทโธไปอันนี้มันก็จะสมองเองโอเคนะมีอะไรไหมขขขขโขอบคุณค่ะา่อยาคอบจักโอเคไอโอกการย์เอามาเรือกใหม่ใหม่ค่ะขอบคุณนะคะอ่ะบาบนที่คุณซันนี่ต่อซันนี่ซันนี้แมงครับ ก at, ากรนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบวันที่คุณพ่อเสียชีวิตค่ะก็เลยได้ไปเ อ, อถวายสังฆทานที่วัดใกล้บ้านแล้วก็ฝากพี่เอ ต, ตักดิ์บะไปกับพระอาจารย์ด้วยนะค ะ, ะสาธุจ้ะขอให้มาสู่สุขสติค่ะไม่รู้ว่าคุณพ่อ ย, ยังรอรับอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรเราม่หน้าที่ส่งไปก็ส่งไปค่ะพระอาจารย์ ตอนแรกที่คุณพ่อเสียคือทุกข์มากเลยค่ะตอนนั้นยังไม่ได้เจอกับพระอาจารย์ประมาณประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วอะค่ะก็แบบแต่แต่ก่อนเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเอ่อพุทธเรื่องพุทธศาสนาระดับหนึง่งแล้วก็มีปฏิบัติบ้บางแต่ก็ตอนนั้นรู้สึกว่ายังเป็นแค่สุดสุดแตม่มายปัญญาค่ะคือเอามาใช้ไม่ได้เลยเหมือนล้มทั้งยืนเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนั้น แบบควากไม่ได้ดใช่ค่ะก็เลยรู้ตัวค่ะว่าแบบโอ้เรานี่แบบนึกว่าตัวเองก็พอมีปัญญาอยู่บ้างแต่ว่าใช้ไม่ได้เลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่พระอา <cloth. S 1> จารย์บอกว่าทุกไม่มีปัญญาบกเกิดแบบใช่ค่ะก็เลยเริ่มพยายามมองหาครูบาอาจารย์แล้วก็ได้โชคดีที่ได้มาเจอพระอาจารย์ค่ะอื ตอนนั้นตอนนั้นคิดด้วยนะคะว่าคือรู้สึกผิดอะคะ่ะที่ดูแลคุณพ่อไม่ดีแล้วแบบคุณพ่อเป็นมะเร็งกระเพาะอะคะ่ะก็คือแบบไปแบบค่อนข้างกระทานหานก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเจอเร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยท่านได้แต่ก็ก็เลยรู้สึกผิดก็คิดว่าแบบตอนนั้นนะคะอยากอยากจะสําเร็จเป็นพระอรหันเพื่อที่จะแบบเ อ, อ่อเคยอ่านที่ว่าพระเทเจ้าไปปวดพระมารดาอยากทําแบบพระเทเจ้าะคะ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้จัก เรื่องการบัดพวกนี้ค่ะแต่ก็แบบเออถ้าเป็นอั้นเราก็จะไปช่วยพ่อได้นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ศึกษาดูแล้วค่ะว่าคือพระเจ้าท่านมีมีบา ร, รมีมีอภินยาท่านก็เลยสามารถทําได้แต่ว่าถ้าระดับเราที่ไม่ได้มีอภินยาเราก็อาจจะไม่ได้ทําได้ถึงขนาดท่านใช่ไหมคะพระอาจารย์อรรมะนก็ต้องปล่อยวางค่ะก็กแต่ก็ไม่ ไ, ไม่ย่อท้อ แต่ก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าถ้าทําไม่ได้แล้วก็จะไม่จุดมุ่งหมายก็ไม่เปลี่ยนค่ะพระอาจารย์จุดมุ่งหมายเพราะว่าก็ทําเพื่อพอแล้วก็ทําเพื่อตัวเองด้วยค่ะเพื่อให้พ้นถุกจะพยายามให้ได้ค่ะ yeah. แล้วก็เรื่องอสุภาที่พยายามพิจารณาค่ะพระอาจารย์ลองสังเกตถ้าเป็นแบบเออ คนที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะพอเราพิจารณาเป็นเขาเป็นอสุภะไปเราก็เฉยเฉยแต่ว่าพอเจอคนที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะที่แบบรู้สึกว่าหน้าตาดีอะไรเงี้ยค่ะพอเราพิจารณาว่าเขาเป็นอุตอสุภะได้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบประสบความสําเร็จนิดนึงค่ะพระอาจารย์เหมือนความรู้สึกมันต่างกันนะคะใช่เปลี่ยนไปจากการที่ยินดีครับจะไม่ค่อยยินดีหรว่าใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็พยายามฝึกดูดเอเอ พยายามจำรูปอสุภะตอนแรกดูจากหนังสืออสุภกรรมฐานแต่คืออันเนี้ยหนูก็ดูมาหลายปีแล้วค่ะมันรู้สึกเริ่มชินตา ม, มากค่ะแล้วมันไม่ไม่ค่อยเข้าเหมือนรู้สึกไม่ค่อยเข้าไปในใจหนูก็เลยเปลี่ยนไปดูเป็นคลิปวิดีโอจาก y o u ูทูบที่เกี่ยวกับเอการผ่าศพหรือว่าพวกศพที่ตายแบบต่างๆค่ะก็รู้รู้สึกเอติดตาติดใจเอามาปฏิบัติได้ดีขึ้นค่ะ แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ได้ให้เราเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายของคนเราทุกคนเมื่อถึงความตายนะมันไม่น่าดูน่าชมเลยค่ะพระอาจารย์จะพยายามปฏิบัติพิจารณาต่อไปแล้วก็จะยังยังพยายามฝึกสติกับสมาธิควบคู่ไปด้วยคะ่ะอ่าดีสาธุสาธุแค่ไหนอ่าใบที่คุณปุ้ยนักสำรวปุ้ย กรรมมรรคการค่ะอาจารย์เป็นยังไงสบายดีนะสบายดีค่ะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้าไม่ทันค่ะคนเยอะอแล้วโยมก็ปฏิบัติคือปฏิบัติมากกว่าเดิมตั้งแต่เข้าปรรษามาคือโยมก็เร่งภาวนาคือวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงแล้วโยมก็สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นสวดเพราะโยมตั้งอธิษฐานไว้แล้วว่ายัางไงยังไงโยมก็ต้อง ตรวาจธรรมจักให้ได้ทุกวันโยมก็ทําได้ทําได้ทุกวันค่ะมีเมื่อเช้าตื่นสายเกเลไม่ได้สวดบทเต็มตรวจใจชินบัญชรอืโยมก็สบายใจดีแต่ว่ามีแค่เรื่องเดียวก็กังวลเรื่องลูกชายอ่ะฮะเหมือนกับน้องคนนั้นนี่ยเพราะว่าบางทีเขาดื้อเงียบค่ะแต่ก็เข้าใจว่าเขาก็คงจะเป็นห่วงเราไม่อยากจะบอกอะไรเราเยอะเราก็ใช้วิธีสวดมน์ ให้พุทธประพฤติคุณช่วยเอเราก็เชื่อของเราอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเขาเกิดที่มีเด็กพลังทำเนียมเขาไม่เหมือนบ้านเราอะคะ่ะเชกชื่อกฎแห่งกรรมดีป่ะคนทำกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมบันไดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอืิค่ะค่ะยมเชื่อเชื่อมากมากนะแต่ยมก็ตัดสินใจเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายยมก็เขียนไปบอกกับเขานะว่า การเก็บอะไรไว้ในใจมากๆมันไม่ดีรู้จะเปิดซะบ้างแล้วอย่าปิดมากไม่ใช่ว่าพ่อแม่เกรงใจว่าเดี๋ยวเอ อ, เอจะไปทําให้พ่อแม่ลําบากใจไม่ใช่โยมก็เลยเขียนไปบอกเขาอย่างไงค่ะโยมก็คือเราก็สบายใจเขา จ, จะได้สบายใจว่าเออเราเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นห่วงอ่ะเด็กเขาดีอะเราก็รู้นะค่ะแต่เราก็โอเคเราจะได้สวดมนต์ได้สบายใจไม่มีอะไรจิรตกังวลอยู่ใน ใ, นใจอ่ะค่ะก็ดี ทำเท่าที่จะทําได้แล้วนะคุณใช่หาโยมก็คือคือเด็กเขาโตแล้วแล้วเป็นเด็กผู้ชายเขาโตที่นี่เขาเกิดที่นี่เราก็ต้องแบบระมัดระวังการพูดกันจาแบบคือสิ่งแวดล้อมที่ทางเจอมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่นี่เราโยมก็ไม่ค่อยอยากจะสอนมากเราก็ได้แต่ว่าเขียนไปบอกว่าอยู่เข้าใจนะคําว่าเป็นคนดีเนี่ยอยู่เข้าใจนะอยู่เข้าใจนะอัจนจะจขอย้ยขอย ำ, ขออ ย, ำขออยู่แค่เนี้ยเออ เออคือเขาเขาไม่ใช่เด็กงูเราก็คิดว่าเขาน่าจะรู้อ่ะบอกเขาขยันเรียนอยู่ค่ะนะฮะโยมก็ไม่มีอะไรโยมก็ยังปฏิบัติโยมก็บางทีก็ป่วยอ่ะค่ะแบบมีโรคประจำตัวแต่ไม่ค่อยกล้าหาหมอแต่ใช้ใช้ภาวนาถือศีลก็ก็สวดมนต์เจริญจิตภาวนาใช้พลังสมาธิช่วยอ่ะค่ะ โยมคิดว่าช่วยได้เยอะอ่ะโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมเชื่อพระอาจารย์อย่าเชื่อแบบถ้าเป็นบางคนบอกว่างมงายโยมก็ยอมมาว่างมงายเพราะว่าโยมเชื่อหมดใจเลยเพราะโยมรู้ว่าโยมหายมาได้ถึงทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้าค่ะและบารมีของพระอาจารย์ด้วยโยมก็กอบขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะโยมน้อมทุบุญทุกบารมีแต่พระอาจารย์เจ้าค่ะอ นะขอขอให้โยมได้ถือศีลตลอดไปนะพระอาจารย์อย่าได้ทำบาปให้สุขให้เจริญให้สมหวังในทุกสิ่งทุกประการแต่สาธุค่ะไม่ไม่เล่นหวยนะคะก็มันจะโอเคไปค่ะสาธุคุณทิมคุณมาริการางานมาริกา การนำมัตการเนียค่พระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็รู้ ก, กำลังตัวอารมณ์ของตัวเองการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในแต่ละวันบางวันก็ไม่ผ่านกับพระอาจารย์เช่นถ้าสมมติว่าเราไปไ ป, ไปสัมผัสกับเขาเกิดเราเกิดอารมณ์ไอ้ตัวนั้นมันสามารถที่จะระ ง, งับได้ พอสมควรแต่ถ้าสมมติว่าถ้าคนอื่นคนอื่นมากระทบเรามันได้แค่ห้าสิบเปอร์ซ็นเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้แสดงว่าสติเราขาดไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แล้วแต่บางทีก็ขาดสติบางทีก็ขาดปัญญาเพราะว่าการที่ต้องต้องควบคุมอารมณ์นี้ต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วยใช่ไหมคะ ถ้ามีปัญญามันจะมันจะดีกว่าสติอย่างเดียวสติมันก็อาจจะหยุดได้เป็นพักๆแต่ถ้าปัญญาถ้ามันหยุดแล้วมันจะหยุดแบบถาวรเลยค่ะค่ะส่วนคําถามนั้นลูกก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ได้สังเกตจากการการดูแลพ่อแล้วก็การทดสอบอารมณ์ของเราว่าบางครั้ง คนที่มีอายุมากต้องพูดซ้สำๆต้องต้องคอยดูแลหรือกลับมาเข้า ม, มาในบ้านบ า, นางครั้งก็ถ้าเข้าไปในห้องนะ้ำบางทีก็มันก็สบกับปลุกบ้างเราก็ต้องทําใจต้องรู้ว่าเออนะต่อไป <ừ. S 1> อนาคตเราต้องใช้ความเมตตามากๆอย่าไปทิ้งสาอย่าไปโกรธเพราะว่ า, าลูกก็ไม่มีครอบครัวแล้วถ้า เราทําตัวแบบนี้แบบใครพ่อใครจะดูแลเราดังนั้นส่วนดีของพ่อก็คือพ่อจะไม่พูดพ่อจะไม่พูดพ่อก็จะไม่พูดมากกินอะไรก็กินทั้งนั้นได้สวดมนต์ด้วยพระก็สวดมนต์ไหว้พระเขาจะตาใจลูกอยู่ในจุดนี้ก็เป็นว่าเป็นบุญของบุกที่ว่าในช่วงจังหวะที่ว่าเรามาประชิญกับ อารมณ์ที่มันแปรปวนก็ก็โอเคนะคะพรอาจารย์ได้พ่อมาช่วยเตือนสติให้ก็ว่าพ่อเวลาพ่อจะทานข้าวพ่อก็ว่าน้โมตั้งน้โมสามจุกจะอาบ น, น้ําพ่อก็ตั้งน้ำโมสามจุกก็เลยว่าอ๋อพ่ออายุถึงเก้าสิบแล้วก็พ่ออยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือก็อจะได้เรียนรู้ช่วงพระพาชานเรียนรู้จากพ่อได้เยอะมากช่องพระพาชาน อย่างดีพยายามฝึกไปเรื่อยๆปล่อยวางอารมณ์จะไม่เคยมีถ้าถ้ามีความยึดติดมีความอย่ากอารมณ์จะไม่มากใช่ไหมใช่แต่มีอย่างเดียวแค่ น, นี้กก็คือเราก็ยังทํางานยังเข้าสวนเข้าอะไรอยู่ในลักษณะอย่างนี้ธรรมชาติก็ก็ยังกคิดอยู่เหมือนกันว่าอืมเราเรายังไม่ปล่อยวางใช่หรือไม่เราเรายังไม่ได้ แครับอาจาก็คืามีความหยาดแสดงว่ายังไม่ปล่อยวางคุณอาอาบอกว่าปล่อยได้หยุดได้แล้วอ้าไมถ้าปล่อยวางเราจะไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์แสดงว่าไม่ไม่ปล่อยวางมีความยึดติดในเรื่องนี้เรายังไม่ปล่อยวางโอเคนะไปก่อนแล้วนะที่มันจะมีความโลภมีความรู้โอเคไปแล้วนะไปขั้นต่อไป อ่ามนไม่มิญญ า, าคุณหมอเลยคุณหมอไม่มญญาสวัสดีค่ะพระอาจารย์อืมทำงาน<อ>ดึกอย่างนี้อ่าใช่ค่ะพอ ด, ดีตอนนี้กำลังเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิวันละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ อ, อาจจะเหมือนใช้คำบริกรรมเป็นบทภาวนาใสถาสน า, นาครูมาเจ้าค่ะใช่ อพอบางทีมันสงบไปแล้วอะ่ะแล้วทีนี้พอเราเผลอไปคิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราควรจะมาบริกรรมใหม่หรือว่ากลับไปไให้สงบเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็ถ้ามันถ้ามันถ้ามันคิดก็ต้องบริกรรมเพราะมันจะกลับไปสงบเหมือนเดิมมันก็ถ้าไม่มีคําบริกรรมมันก็สงบไม่ได้นอกจากว่าเรากลับไปอยู่ที่ความสงบได้ก็กลับไปที่ความสงบอะไรก็ได้กลับไปได้หรือเปล่าก็มีกลับไปได้บ้างเจ้าค่ะแต่มันก็จะเผลอคิด อถ้ากลับไปไม่ได้ก็ต้องใช้คำบริกรรมแต่ถ้ากลับไปได้ก็ไม่ต้องใช้คำบริกรรมถ่าสดเรามีสติหยุดความคิดได้แล้วครับพอรู้ว่าเราคิดเราก็หยุดความคิดแล้วก็สงบเหมือนเดิมอ่าก็คือถ้ากลับไปสงบได้ก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถูกต้องแต่ถ้าไม่สงบก็ต้องใช้คำบริกรรมเปพื่องสงบต่อไปได้แล้วเคยนั่งสัต ครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมันสงบแบบทุกอย่างเงียบหายไปหมดเลยเจ้าค่ะกดีก็อย่าไปยึดติดมบนมันผ่านไปเรื่องเป็นอดีตนะแต่ไม่นไปนั่งอย่าไปอยากให้เหมือนนั้นยิ่งอยากมันยิ่งไม่ยิ่งไม่ได้อย่างต้องใช้สติต้องบริกรรมไปเรื่อยๆก็คือมันต้องเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆมันไม่ม่ทางจะกลับมาได้อีกใช่ไหมใช่ทำใหม่เรื่องจำวิธีที่เราทำเท่าที่แล้วว่าทํำยังไงมันถึงสงบ แล้วเอาวิธีนั้นมาทําต่อได้แต่อย่าไปอยากให้มันสงบอยากเท่าไหร่มันก็ไม่สงบมันจะบอกเพราะเรามีสติแล้วเราสามารถใช้อาการสามสิบสองนำก่อนเข้าสมาธิได้ไหมจ๊ะค่ะก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราชอบเราก็ใช้ได้แทนส่วนมนุษก็ได้แทนกําบริกรรมก็ได้แต่แต่ถ้ามันมันเท่ามันอาจจะไม่สงบเท่ากับถ้าเราดูลม เรื่องบริกับมพุโทโธอย่างนี้มันจะมันจะสงบได้ลึกกว่าแต่ก็ไม่น่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะสะอาการทางนิสัยอาจจะทําให้จิตเด่งได้ก็ก็โอเคเหมือนกันแล้วแต่เราทดลองทําไปแล้วแต่ที่ได้แน่คือถ้าดูลมได้เนี่ยมันจะมันสงบมันจะเด่งไม่ได้หรือถ้าพุโทโธอย่างเดียวได้ถ้าที่ได้ยไม่ฟังจัง วงการปฏิบัติแค่น่ะบางคนใจ้บริาการมพุโทโธครับอย่างเดียวจิตก็หนึ่งลมเข้าไปสู่สมาธิได้บางคนก็ใช้ดูลมหายใจแต่เนื่องส่วนเนื่งองเท่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าไปได้นื่องเท่ากับเากับดูลมเนื่อท่ากับบริกรรมพุโทโธพอหนูลงทําพุโทโธแล้วรู้สึกมันสั้นแล้วมันแลไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แสดงว่าจิตหนึ่งอย่างชอบคิดอยู่อะไรให้มันคิดถึงาการหายสองไปก็ได้ ผมขนเล็ฟัน <intent> น <ing imir> <de b> ้ำเนอยอเห็นไหมดูแบบแค่ไล่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ชื่อมันก็อย่างเดียวก็ไะ้เื่อจนได้ตามตามตามที่เราจะถนัดได้ทั้งนั้นดูว่าผมอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยูตรงไหนก็ได้ดูหัวใจมีรูปลักษณะอย่างไรปอดมีรูปลักษณะอย่างไรนาไส้อะไรเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นไม่ไม่ต้องคิดไปถึงไตหลักก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ยังยังนี่เป็นการการจารใจให้มันจะเป็นสมาธิแต่มันก็จะเป็นปัญญาในตัวมันจะเห็นว่ารากานี้ไม่สวยงามมันก็เป็นอนิจจงสวยข้างนอกไม่สวยข้างในมันก็จะเป็นปัญญามันก็จะดับการมาราคาได้อะไรเถ้าเห็นอวยัยวต่างๆภายในแนละ้วมันจะไม่เกิดดาวลมขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องเริ่มเดินปัญญาเจ้าคะ ก็เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมาเราสามารถคิดต่างตายาได้เช่นคิพิจารณาร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราหมายถึงตอนเราแบบนั่งสมาธิไปสักพักแล้วเรารู้สึกมันมันหมดกําลังแล้วอย่างเงล่ะไม่หมายถึงเราเลิกนั่งนั่แล้วเริ่มคิดนี่พอเราเริ่มคิดก็ตัองอ้งใจคิด คิดไป็นทางปัญญาไนดะ้จะคิดไปถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องกลับมาทางสติก่อนบางทีสติเรายังไม่พอ<ม>ก็อาจจะฝึกสติเพราะจิตไม่นิ่งก็กลับมาหาสติบาบริกรรมพุโทโธหรือมาท่าราการฐานที่สองไว้ก่อนจนกว่าเราจะมีสติสามารถสั่งให้จิตสงบได้ไดเมื่อเวลาอาจจะความสงบมาแล้วก็สามารถสทำให้มันคิดไปทางปัญญาไนดะ้ สอนใจว่าร่างกายนี้มันต้องแก่นะต้องเจ็บต้องตายนะยอมรับมันไหมพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่าถ้าไม่รับมันก็จะทุกข์ถ้ารับได้ก็จะไม่ทุกข์่นี้ตรงขา น, นี้แล้วต่อไปก็ต้อ ง, ต, องต้องไปพิสูจน์ด้อันนี้เป็นเพ่งการทําการบ้านเต็มตัวไว้ก่อนขันต่อไปก็ต้องไปเจอความทุกข์เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วดูที่ว่าใจเราเฉยได้หรือไม่เกิดองเจ แต่เบื้องต้นเน้นปยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยๆก่อนให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เนั่งแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอยู่ที่ไหนจังหวัดเลยองเจ้าค่ะเลยเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับค่ะเข้าสู่ครั้งแรกจ้าอันนี้เข้าเวนอยู่เนะเอ่อพอดีเปิดร้านยาเจ้าค่ะก็จะปิดตอ ก็จะก็จะถึงเวลาปิดแล้วนะเดี๋ยวนะจังค่ะโอเคขอ บ, ออบรพระคุณมากเจ้าค่ะอ่าใครก็ไอ้ต่อคุณจุ๊บโกเบจุ๊บในมาตการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบพระคุณทีมงานนะคะที่ให้โอกาสเข้ามาที่นี่นะคะวันนี้หนูเข้ามาสายเจ้าค่ะก็ยังเหลือเวลาอยู่นิดหน่อยค่ะมีอะ<ก>ไรไหม วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก็ได้ฝึกกันค่ะพระอาจารย์ตอนแรกโยมก็คือปกติถ้าสมมติเข้าไม่ได้เนี่ยประมาณผ่านไปสามสิบนาทียมก็จะออกออกไปเลยแต่วันนี้โยมแบบไหนลองฝึกดูซิถ้าสมมติเกิดเข้าไม่ได้เลยแบบรอถ้าเข้าไม่ได้เลยเราก็จะได้ฝึกใจเราว่ามันมันมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้ระหว่างเรานี่เราสามารถไปเปิดดูใน y o u ูทูบได้ เราไมมีเครื่องเดียวฮะระหว่างเราหนูหนูก็เปิดอีกหน้านึ่งอ่อีกหน้าหนึ่งดูดูเครื่องก็ฟปกนนั่งนั่งหลับตาฟังพระอาจารย์ไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าจะฟังใช่เครื่องเดียวกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าได้จ้าค่ะเราลองกันหับโปรแกรมกันเนาะค่ะฟังโปรแกรมหนึ่งแล้วอาไปเปิดเฟซบุ๊กในยูทูบดูตามไปก่อนก็ได้ค่ะก็ก็ดูตามไปเจ้าค่ะอ่าไม่ปึกจากอาจารย์ตอนแรกก็ ขณะที่ร้อนนี่อยู่ในซูมเราไม่สามารถฟังได้ใช่ไหมฟังไม่ได้เลยเจ้าค่ะพร<ป>ะอาจารย์ต้องไปดกหน้าไปดูเฟซเอาไปดูในเฟซบุ๊กอีกทมีมันจะมันจะเงียบไปเลยค่ะพระอาจารย์จะแบบเป็นหน้าจอดาแบบบอกให้ลอยค่ะค่ะไปเรื่อค่ะเขาลอยไปเรือเ่อยก็ดีนะคะพระอาจารย์หนูได้ฝึกด้วยค่ะพระอาจารย์ก็ยังคิดว่าเออถ้าวันนี้เข้าไม่ได้เราก็จะได้ฝึกให้มีแบบเหมือนพระอาจารย์ที่บอกว่าไม่มีอะไยแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอน ก็บาีก็ได้บางดีก็ไม่ได้จ้ะค่ะขอดเร้าก็เออก็รู้สึกเอโชคดีจังเลยก็กราบขอบพระคุณมากมากนะเจ้าค่ะโอเคสราบทุกการเดนกันมาเลยต่อนะการมาเลยก็วันนี้รางท้ายเลยกับหลวงพ่อค่ะหนูเข้าตั้งแต่ก่อนสทุ่มค่ะแต่ว่าเข้าไม่ได้ก็ก็เหมือนคุณจุ๊บอะค่ะก็เป็นจอดำแล้วก็เปิดเฟซบฟังนะคะหลวงพ่อค่ะ ก็ไม่ก็เหมือนกับเหมือนกับได้เข้าอยู่ดีท่านเปิดเฟซบุ๊กได้กับมือ น, น, น, นได้เข้าอยู่าค่ะ ก, ก, ก็ฟังฟังอยู่ข้างนอกค่ะหลวงพ่ออย่างใไม่ได้พูดท่านเองค่ะหลวงพ่อก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าด้วยซ้ำว่ะค่ะแต่ว่าก็ฟังหนูค่ะหลวงพ่อก็ว <Okay. S 1> ันนี้นะก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อแต่ว่าหนูีกินข้าววันละครั้งตั้งแต่พุทธธิเล ตั้งแต่วันพุธแล้วก็พัลลัจจนถึงวันนี้ค่ะหลวงพ่อไงดีไหมดีค่ะหลวงพ่อคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าหิวอะไรนะคะหลวงพ่อพอเราเราอยากกินหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาเราเอามาทุกอย่างแต่เรากินไม่ได้ตามที่เราอยากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเออที่เรากินอ่ะมันกินเพราะความที่เราอยากเองค่ะหลวงพ่อกายมันไม่หิวแล้วมัไม่ตายมันไม่ตายแล้วาไม่ได้กินค่ะ ไม่เคยไม่เคยกินแบบวันละครั้งนานขนาดนี้เลยอ่ะค่ะหลวงพ่อเราเราเคยไปทุกวันด้วยกินทุกวันเลยเป็นเต็ดเป็นมดสายไปจนคิดว่าจะพยายามรักษาแบบเนี้ไว้อ่ะค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุคุณพระธาพรบัวสุธาพรกับชื่อเลยม่รักเลโอ นมาสการครับ uh, อยู่ที่ไหนนะนี mm ่เ hmm. ห uh ็นนั้นไปเดินมาอยู่ที่ลอนดอนเขาเพิ่งมารับปริญญาครับจบแล้วเหรอจบแล้วครับอ่ายินดีด้วยจะถานต่อกสปริญญาโทตอบปริญญาโทที่สเปนครับผมสเปนกมาสการเจ้ค yeah, uh, right? uh, yeah, yeah. yeah. ่ะหลวงพ่ออไง Hello Hello How are you hello. Good Hello See you soon Okay Coming to Thailand Yes. Okay. Good. h a n t w o k t to s you. Want to be in Thailand. <laughs> All right. Good. n a m a s t e a n you are very happy today. Yeah. u u i happy, huh? Yeah, yeah, yes. Okay. We're really happy. Yeah. I'm happy. I'm I'm h a p m h a y h a y I'm happy. I'm h a I'm h i h a h a y h a i a h a a y m h a p a I'm h m h a m a y I'm h a a h i i h a a h a p p i h a a y a สาธุสาธุสาธุาบายบายบายบายบายบายซีซีโอเคเอา่าบนหน้าที่ไปที่คุณลาะต่อตกท้ายคําถามจากทางบ้านบ้ากลับนมัส ก, การคะ่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าคะ่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามว่าเวลาจิตกลับเข้าไปฐานลมหายใจหายไหมคะ ถ้าจิตเข้าถานมันไม่รับรู้เรื่องของลมหายใจไม่รับรู้เรื่องร่างกายนะถ้าเข้าไปลึกนะแต่ถ้าเข้าไปแบบไม่นึกไปเนียังรับรู้เรื่องของทางร่างกายได้อยู่แต่จิตก็ยังตั้งมั่นเป็นอุเบกขาอยู่มันมีสองแบบแบบแบบตั้งมั่นเป็นอุเบกขายังรับรู้เรื่องของร่างกายได้อยู่กับแบบที่ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยอยู่แต่จิตด้วนๆตัวเดียวอันนี้ลงนึกหน่อย คำถามต่อไปถ้ามีคนถามเราเราไม่ตอบความจริงแต่เราเงียบถือว่าเราผิดศีลไหมคะไม่ผิดําไม่้พูดอะไรจะผิดศีลทำไมถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดเทั้งเองอย่าไปพูดเท็จถ้าพูดเท็จมันก็ถือว่าเราพูดต้องก็ผิดศีลนะแต่ถ้าเราไม่ได้พูดอะไรเรื่องพูดเรื่องดินฟ้าอากาศไปก็ได้ถ้าอยากจะพูดเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนนักเกินฝนไม่ตกเลย พูดไปคำถามต่อไปเด็กอายุสิบสองขวบมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเวลาเจอปัญหาเราควรจะสอนเขาอย่างไรดีเจ้าคะ่ะเขาบอกเขาา้อบาค่าตัวตายแล้วต้องไปตกนรกต่ อ, อกทีถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ต้องไปตกนรกคำถามสุดท้ายจากคุณศรีวิไลกราบเรียนถามคะ่ะ การมีสติอยู่กับงานควรทําอยู่เงียบๆหรือฟังทำไปด้วยดีคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ อ, อ๋อถ้าฟังทำก็แสดงว่าเราไม่มีสติอยู่ยงานนะถ้าเรามีสติอยู่งานแล้วก็ไม่ทําอย่างอื่นทำเรื่องเดียวอยู่กับงานอย่างเดียวไม่เปิดเทปไม่เปิดเสียงธรรมะฟังไปด้วยถ้าฟังทำมันก็กระจายเป็นสองเรื่องไปจิตมันก็จะวอกแวกวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการฟังทำของการทํางานเราก็จะไม่ได้เลยเต็มที่ ได้อย่างละห้าสิบห้าสิบอย่างนเราจะทำอะไรให้ทำอย่างเดียวให้มีสติอยู่กับเรื่องเดียวยหมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าว ห, ห, ห, หน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ